มีใครอยากจะพูดอนะไรไหมพูดฉชนพูดได้นะสนสสยสมนติศสการ์พระอาจารย์คุณสุภาธนาะมาจากที่ไหนตรงยกที่บ่อวินค่ะพระอาจารย์คะบ่อวินคคเคยเคยไปกราบพระอาจารย์ที่บนเขาค่ ะ, ะแต่ว่าติดงานแล้วเข้าไปไม่ได้ช่วงนี้ก็ฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันตอนบ่ายสองค่ะช่วงนี้เขาปิด เอาเป็นไม่ขึ้นไปรนคาร์แต่ในนี้เรามีการสแสดงธรรมที่น่ากุติข้างล่าตรงตรงที่ที่ที่น่ากุติก็ฟังทุกครั้งค่ะอะีกที่ไทยงานทุกคั้งคีอะอยากจะถามไหมคุณสุบัติครัาถามก่อนนะคะอ ะ, อะไรพอดีว่ามีเมื่อเมื่อสองสมวันเนี้ยค่ะก็ก็ก็คือ ก่อนหน้านี้ก็มีเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะตอนนี้คุณแม่อายุเจ็ดสิบแปดจะเป็นวันที่สิบเอ็ดกรกฎา น, นี้แล้วเอ่อก็มีคุยให้คุณแม่ฟังว่าได้ฟังทำพระอาจารย์แล้วสถานกามันตรงก็จะจะเล่าให้พให้คุณแม่ฟังว่าพระอาจารย์สอนแบบนี้แบบนี้นะค่ะทีนี้มีอยู่วันนึงแม่พูดขึ้นมาค่ะว่า มีความรู้สึกว่าในการเกิดมาชาตินึงเนี่ยคือคือการเกิดมาในในครั้งเนี้ยในพกนี้ยแม่บอกว่าเหมือนเราเดินไปแล้วเราไปเจอเหตุการณ์อย่างอย่างมาตอนเนี้ยช่วงเนี้ยแม่อายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะมาเจอแบบว่าบางครั้งลูกหลานก็จะคือคือในแต่ละเหตุกบอกว่ามาเจอแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้อันนี้นี่เป็นเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นที่แม่คิดเองหรือเป็นที่ที่แม่มองด้วยด้วยใจอะค่ะมองด้วยจิตแต่ก็ไม่ได้พูดอะมากสร้ า, างความเป็นจริงแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไม่สังเกตแล้วว่าจะไม่คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอันนี้แม่พูดออกพูดออกมาทีแต่เรา ก็แสดงว่าเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นอนี้จังมั้ยการเปลี่ยนแปลงค่ะพีเองเห็นกันว่าแม่อาจจะเหมือนกับถ้าถ้าพูดในในลักษณะที่พระอาจารย์สอนก็คือแม่อาจจะมีปัญญามองว่าตอนเนี้ยในเหตุการณ์รอบรอบขงแม่ที่เกิดนี่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จะเป็นภาวะที่เกิดความุกมเป็นสิขข่งที่มา ถ้าเดี๋ยวเราเดินต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอันนี้เราพูดได้คือถ้าเห็นแล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะไม่ทุกข์บางคนนี่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกข์อยากจะให้มันเหมือนเดิมไปสาวยังไงก็อยากให้มันสาวอยู่นั่นพอไม่สาวนี่ก็ทุกข์ว่างั้นเราต้องพองอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างทั้งตัวเราเองทั้งคนรอบข้างเราทั้งเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด uh huh. ถ้าเราไปยึดไปติดกับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนแปลงก็จะทาให้เราทุกข์ uh huh. ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเราก็ไม่ไปยึดไปติดมันปล่อยให้มันเปลี่ยนหน uh huh. ้ามันไปได้ uh huh. เราก็จะไม่ทุกข์อาจารทุกครั้งมันต่างกันอาจาง เห็นอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาก็จะทุกข์จะยึดติดแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมั่นพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆในอากายของเราขึ้นมาแล้วย่อมมีความแกลียดย่อมมีความเจ็ียดให้ได้ป่วยครัย่อมมีความตายเป็นธรมรมดา ก็มีการพัดพลาดจากกันพ้นจากสิ่งนี้ไปไม่ได้สอนให้เราเปินใจเราให้เห็นชีิจันแต่เรามันไม่ยอมเห็นเราไม่ยอมแก่กันไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายกันไม่ยอมพัดพากจากเราก็เลยชุบกันเข้าใจไหมเข้าใจจะเข้าใจเจ้าขาพระอาจารย์ถ้าเป็นอย่างแม่แม่ของโยมนี่ เข้าใจสภาวะที่เกิดกับตัวแม่ใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าเขาทุกหรือไม่ทุกขถ้าเขาไม่ทุกก็แสดงว่าเขาเข้าใจถ้าเขยังก็ยังทุกอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจแม้จะเห็นแต่ไม่ยอมรับความจริงคะค่ะมาทุพระพันอาจารย์ปฏิบัตินี่มาก็เพื่อเดาความทุกข์เพราะพวกเราบางจะไม่ยอมครับอันนี้จะไม่รับอนัตตาเนี่ย อย่าไปเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นอนตามันก็เลยทุบกันถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจ์นตาระเห็นหมันพิจานณาอนิจจหมันพิจานาอนตาอยู่จ้าขอขอบคุณครัอาจารย์งานคืองานให้คนอื่นพูดกันค่ะค่ะขอขอบคุณครับอาจารย์สาธุเจ้าค่ ขอบคุณค่ะใครอยากจะพูดก็เชิญพูดได้เลยถ้าไม่พูดก็ปิดไมค์ไว้ก่อนนะเอาก่อนคุยอยากจะพูดคุณปิดตรงไหนเอ่ยปิ ด, ป, ด, ป, ดปิดทางซ้ายครับปุ่มซ้ายล่างนะฮะที่เห็นเป็นรูปไมโครโฟนนะฮะปิดได้ปิดได้ถ้าอยากจะคูยอยากจะถามเชิญธรรมศาสตรการครับอาจารย์ครับเชิญชื่ออะไร อ่ผมชื่อสุรศักดิ์ครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนผมอยู่แถวปทุมธานีครับผมอ่าดีังนะเวลาอยากจะทำไหมอ่าจริงจริงมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาชอบเขาเป็นชาวต่างประเทศแล้วทีนี้เขาชอบธรรมะแต่เขาอยากให้แปลธรรมะจากของไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ แต่ว่าผมว่าธรรมะนี่มันแปลแล้วมันแปลมันแปลยากอะครับอาจารย์ผมไม่กล้าแปลเรามีแปลมาเยอะเยอะเยเข้าไปในเพจของเราสิภาษาอังกฤษเขาเข้าไปอ่านได้ครับเดี๋ยวไรส่งนด้ึงไหมคุณศสราษาหน่อยได้ไหมาจารย์สุชาติ l a n g u a e for the asking น้จบการเวอร์ชันเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะจอเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็แปลมาจากภาษาไทยที่เราพูดเนี่ย เราก็เราให้เขาเข้าไปดูในเพจอาจารย์สุชาติาครับนะเดี๋ยวนะผมส่งชื่อเพจไปให้ครับได้ครับขอบคุณพระเจ้าเวลาจะถามไหมส่วนตัวผมผมก็ปฏิบัติธรรมมาประมาณสิบกว่าปีแล้วพระอาจารย์บางทีมันก็ดีบางทีมันก็ตก ปฏิบัติไม่ต่อเนื่องใช่ครับการเกินก็เลยขึ้นๆลงๆครับต้องพยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้พรเจ้าบอกว่าให้เพียรรักษาทำที่เรา้ปฏิบัติแล้วให้มีอยู่ทำที่เรายังไม่มีให้เพียรสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่ทำเพียรพยายามรักษาการปฏิบัติของเรา ไปปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็อย่าให้มันน้อยกว่านั้นถ้ามันมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะก้าวหน้าถ้ามันลดล้อยมันก็จะถอยหลังไมขับรถถ้าเหยียบคันเร่งมันก็พุ่งไปข้างหน้าปล่อยคันเร่งมันก็ไปแล้ช้าหรครับความเพียรนี่สําคัญความเพียรไปพยายามไปพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ เราอย่าท้อแท้ตรงกลางที่ท้อแท้ให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ที่สำเร็จเพราะท่านไม่ท้อแท้ท่านเปลี่ยนพยายามต่อสู้กับความเกียจค้ามตลอดพยายามปฏิบัติตลอดเวลาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะทำให้เราขำใจครับครับอาจารย์นี่นะ ครับขอบคุณมากครับใครอยากจะพูดตอบเชิญได้เลยวิชาณเดชพูดหรือเปล่าไปนายนครฟอนมาจากที่ไหนเอออยู่นคนปรปฐมครับครั้งที่แล้วก็เออข้ามาทีแล้วเข้ามาทีหนึ่งแล้วครับเออที่เพิ่งกลับมาจากปฏฐฐิบนะัติธรรมแล้วพาแม่ไปปฏฐฐฐฐิบัติธรรมมาสี่คืนครับแล้วก็ตอนเนี้ยคือ ผมปฏิบัติเนี่ยเอ่อมันยังไม่ยังไม่ลงยังไม่ลงก็คือมันยังมันยังอยู่กุ้งโถอยู่แต่ใจมันก็นิ่งก็คือไม่ม ไ, ไม่ได้วกแวกไม่อะไรแต่มันยังไม่จิตรวมเหมือนตอนสมัยบวชเขาก่อนนะครับเพราะมัไม่ไ ด, ได้ก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆตรงเนี้ยแล้วก็เอ่อคือแม่อยุ่งแปะติดนะครับตรง น, นี้แล้ว ก, วก็สิ่งที่เป็นที่ผม คื อ, เ ม, อเมื่อตอนขับรถกลับเนี่ยผมเปิดความพัดพรากเป็นธรรมดาเพลงของปานธนาพรคือฟังแล้วให้มันเกิดคือมันมีสุภาากับกับความพัดพรากฟังแล้วรู้สึกว่ามันเกิดสังเวชใจอะครับ mm hmm. แล้วก็น้ำตาไหลเอ่อพอน้ำตาไหลปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากเกิดอีกแล้ ว, mm hmm. ลวเราไม่อยากคือเหมือนน้ำตาแล้วก็ เออรู้สึกว่าเราอ่ะยังมีโอกาสตั้งใจจะจะจะจะปฏิบัติใหส้สุดเลยก็คือเรารู้สึกว่ามันในความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าเรายังมีเวลาแต่แม่เราอ่ะยังเราไม่รู้ว่าแม่บาดได้มาเทแค่ไหนตอนนี้มันสังเวชใจตรง น, นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน มันมันอยู่ข้างในข้างในข้างในใจเลยเนี่ยครับแต่ว่ามันมันมีความรู้สึกหนึ่งก็คือทําให้เราอยากที่จะภาวนามากขึ้นไปอีกตอนเนี้ย ม, มันมันมีมือมีแรงคือเราไม่อยากเกิดตอนเนี้ยความรู้สึกเราไม่อยากทุกข์เราไม่อยากอะไรอีกแล้วจ้าเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนของชีวิตเราก็ต้องได้ดตักตรงว่าไม่มีใครรู้ว่าใครจะไปก่อนใคร ผมก็เลยอยากจะคืออันนี้ผมก็เลยจะกราบเปี่ยนพระอาจารย์ว่าเราควรเปิดฟังบ่อยๆเพื่อให้มันเกิดความสั่งเวทใจแล้วก็มันจะเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็ผมกลาวเปียนพระอาจารย์ที่ผมศึกษาด้วยท่านก็บอกว่าให้ฟังแล้วก็พิจารณาสลับไปสลับมาก็คือถ้าน้ําตาลจะไหลก็ดูจิตมันตอนนั้นดูความเป็นไปของมันท่านบอกว่าก็คืออย่าไป คือมันเกิดปิติก็เกิดสังเวทันหมตอนนี้นคือการปฏิบัตินี้ก็เพื่อทำจิตให้เราสงบุัง น, นั้นก็คอยใช้สติคอยประคับประ ค, คองจิตพุท่วพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่ปิติบ้างมุมตาไหลบ้างรูปมากก้ากถ้ามันเป็นของแถมอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องลงมันต้องลงอั ป, ปนาขนาดนั้นก็คือตอนก่อนหน้านี้มันจะ ล, ง, ล, ง, ลงไม่ลงก็ไม่ต้องไปกังวลขอให้เรามีสตคิครับครับคือก่อนหน้านี้กังวลมากเพราะว่ามันไม่ลงอั ป, ปนาเท่าที่มันแบบปฏิบททัติติดต่อกันมาทุกวันเนี่ยแปดเดือนตอนเนี้ยครับก็ทุกวันมันยังไม่ลงอั ป, ปนาเท่าทีเหมือนตอนที่เคยบวชก็เลยรู้สึกว่าพอไปไปปฏิบัติคราว น, นี้ยแล้วก็อพอภนาปุ๊บมันรู้สึกว่า ผมเปิดพระจารย์สุวิธาปางวันที่วันอัสสานหาครับแล้วนั่งภาวนาไปด้วยแล้วมันก็มันสะอื้นออกมาแล้วก็เอท่านพูดถึงเรื่องเรื่องการการภาวนาถึงเรื่องของนิพพานเรื่องอะไรพวกนั้นมันก็รู้สึกว่าเออผมผมมัวจะไปกังวลเรื่องอั ป, ปนาอยู่จริงๆเราควรที่จะวางมันปล่อยมันแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธทําเหมือนทุกวัน นั่นแหละสำคัญที่สติคือพุโทโธพุธโทโธจะพาเราไปเองแล้วอย่างเงี้ยผมอธิฐานไม่ได้ไหมครับก็คือมันมีจิตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราทําขนาดนี้มาเนี่ยเออเราเราเราเราตั้งใจฟันหนึ่งมันต้องถึงจุดที่เราไปถึงใจที่สุดเราไม่รู้ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับแต่อยากให้มันผมไม่รู้ครับว่าอธิฐานได้ไหม คือคว่าอธิษฐานนี่หมายถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติไม่ใช่อธิษฐานเพื่อขอให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมาครับขอให้ได้เ น, นี่ยผมผมรู้ว่ามันขอไม่ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นมันเป็นความหวังของเราที่มันจะแบบจะไปถึงคือต้องหวังว่าเราต้องปฏิบัติมากๆหวังว่าวเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติครับต้องเอาตรงที่เหตุแล้วไปเอาที่ผล ตั้อธิษฐานที่เห็นเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนต้นโพลพระพุทธเจ้าหลกไม่ได้ขอตัดสะลุแต่ขอนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสะลุ mm hmm. อยูที่เห็นคือการภาวนาการเจริญสติการปฏิบัติถ้าจะตั้งอธิษฐานก็ขอให้ตั้งอธิษฐานว่ากขอให้ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ขณะที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. ให้ตั้งแบบนี้ ตอนนี้เรื่องอะไรอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นต่อไปนี้ยังไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นอ๋อเรื่องงานตอนเนี้ยเรื่องงานก็คือลดลดการรับงานลงคือผมทํางานออกแบบเกี่ยวกับสถาปัตย์ผมก็ลดงานลง<ม>แล้วก็เอาเวลาภาวนามากขึ้นเวลากลางวั น, วนก็คือเดินจงกรมเวลาช่วงที่มันคิดงานไม่ออกผมก็มาเดินจงกรมเปิด<ม>ปนาดการฟังแล้วก็สลับเรียนอะจรบางทีก็เป็นพระอาจารย์สลับกับครูบาอาจารย์ท่านอื่น ก็คือแล้วตีสามก็คือปลุกมามานั่งภาวนาบางวันมันก็ง่วงผมก็ลุกมาเดินปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเดินบ้างนั่งบ้างครับทํางานทางโลกให้น้อยที่สุดที่ทำเป็นครั บ, ร บ, รบแล้วก็เงินก็คือปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกคือผมยกให้แม่หมดเลยก็คือตอนเนี้ให้แม่ก็คือผมก็คือพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีตาท่านให้สร้างพระก็คือวันนั้นนะแม่ อผมฝันว่าจะพาแม่ไปไปไปคูเวตแล้วก็ในฝนะันน่ยพอพาแม่ไปถึงสนามบินแล้วก็ไม่ได้เอาพาสปอร์ตไม่ทำพาสปอร์ตให้แม่ผมอตัวผมเองก็ลืมพาสปอร์ตไว้ที่บ้านก็เลยต้องยกเลิกยกเลิกก็คือพตื่นแลปุ๊บอีกวันตอนเช้าอีกวันกนะ็คือไปวัดนั้นพระอาจาย์ที่วันนั้นท่านก็เออเออไปวัดป่าทำมิคิรีครับท่านก็เลยให้ แนวคิดอะไรพวกนี้แล้วก็มันมีเรื่องของการสร้างพระเข้ามาผมก็เลยคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นพาสปอร์ตของแม่ด้วยแล้วก็พาตอนนี้ก็เลยพาแม่ไปปฏิบัติให้มากที่สุดพอแม่แปะจะแปดสิบเอ็ดแล้วนะครับครับดีถ้าแม่ปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติด้วยพร้อมกันไปครับตอนนี้ไปปฏิบัติก็พาแม่ไปด้วยเดี๋ยวคราวหน้าก็พาไปอีกแต่ว่าทุกเดือ น, เ ด, อนเดือนละเดือนละครั้งแบบสามสีวันเลย ดีดีเพราใช้เวลาที่มีทั้งหมดให้แม่ให้หมดเลยนั่นแหละเงินก็ยกให้แม่ น, น, บบ น, นอให้ทางอาธิษฐานอยู่ที่การปฏิบัติครับว่าจะพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้นขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าถามแม่แล้วว่าแล้วแม่แคบแม่ท่านก็ฝันว่ามีเจอคนตายแบบญาติญาติตายเนะี่ยมาทุกคืนเลยทุกฝันทุกคืนเลยก็เลยบอกว่ า, วาเขาคงรู้ว่าเราจะทําบุญใหญ่ก็เลย มาขอทูลบุญก็คือให้กําลังใจแม่ตรงนี้ไปพระอาจารย์ท่านก็แนะนําแบบนี้ไปเหมือนกันครับเอก็มีคนตายก็ให้ทําบุญหมดทิศไปให้เขาแล้วครับบาปที่ได้เขาเขาปัดให้ต่อทุกคืนเลยครับเออมันเป็นได้สองอย่างมันก็เราคิดไปเองก็ได้คมันเพราะเขาเข้ามาเราก็ได้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นองไรเราก็เผื่อไปก่อนก็แล้ว ครับตอนนี้ก็เลยอยากให้แม่เมื่อกี้ก็ถามแม่ว่าแม่เวลานั่งพูดโธแม่แม่ติดรวมหรือยังแม่ยังก็ยังอยู่กับพูดโทอยู่ผมว็บอเออก็อออ ย, ยังก็ทำไปเรื่อยๆครับกอขอข อ, อยากคิดก็แล้วกันขอให้พูดโทพูดโทไปรวมไม่รวมอันนี้ไม่สําคัญไปอย่างน้อยขอให้พูดโทไปสําคัญกว่าครับสําคัญกว่ามานั่งถามตัวเองรวมเมื่อไหร่รวมเมื่อไหรเมื่อไหร่จะรวมครับตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับตรงนั้นก็คือต่อน่างนี้กงไม่มีวันรวม ใม้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะรวมมันเข้ารวมโดยที่เราไม่รู้สึกครับนะสติสําคัญนโปรสําคัญส่วนรวมไม่รวมนี่อยู่ที่สติของเรานี่แหละถ้าสติเราดีพุทโธเราต่อเนื่องไม่เผลอมันก็รวมให้เราเองก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคือวิจัยขอโอกาสให้ท่า น, นได้ให้พูดบ้าง ใครอยากจะพูดเชิญนะเพราะมีทั้งยี่สิบคนยี่บแปดคนมีคุณสวรรค์ทองกับคุณวัรธนาเนี่ยยกมืออยู่ก็เชิญเลยใครอยากจะพูดก็พูดเลยบอกชื่อแล้วก็ออกมาจากที่ไหนได้เราไม่เห็นข้างเลยฮะเห็นเห็นะมีอยู่ยี่บแปดคนครับไม่มีใครอยากจะพูดเนะ เปิดปิดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนคุณเอ็นเอ็น ท, ทีสุดาพงสาวกดเปิดไมโครโฟนอยู่ด้านมุมตอนปิดทำไมอ๋อครับอ่าวันนี้จะเอปิดนะเปิดใหม่อ่าเปิดแล้วอ่พาพูดธรรมะสังกอาจารย์ครับอ่าอยู่ที่ไห น, อ, นอยู่ที่แั<อ>นเลครับตีเข้ามากัติดตามตามเพจที่วอาจารย์ทุกวันเลยครับสวัสดี วันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้สนทนาเรื่องทำมาอาจจะกับนักมาตรการากี่คือช่วงวันที่ยี่สิบเก้ามีโอกาสได้ไปการพระอาจานสามดงท่านก็เล่าให้ฟังชีวิตเป็นมาสมัยที่อยู่กับพระอาจาย์นะครับครับท่านก็เล่าให้ฟังความทุกความยากสมัยญาติที่น้องอยู่ด้วยกันนะครับมีโอกาสในช่วงเช่นเดือนยีิบเก้าเมื่อตะกี้ครับวันนี้ก็แค่ เขารองเข้ามาดูครับเกิดครั้งแรกก็ไม่มีอะไรมากครับคุณอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนผมบ้านเกิดอยู่หนองคายครับผมแต่มาทํางานอยู่สระบุรีครับตอนนี้อยู่ที่สระบุรีแล้วครับผมอ่าครับวันนี้วันนี้ก็มีแค่ทักทายอาจารย์คือลอนครั้งแรกครับอ่านี่โอกาสจะได้ขึ้นไปสอบได้ไปทำใส่บาทไหวอาจารย์สักครั้งเร็วๆนี่ครับได้เชิญเลย ครับเพราะอาจารย์ถามตรงนนเมตตาแล้วก็โอ้เราประวัติญาติพี่น้องให้ฟังผมโอ้โหเป็นเมตตาท่านมากๆเลยวันนั้นเลยวันที่19อธิพัฒน์มาเมสเซกี้ก่อนสิ้นเดือนนะครับอ่าโอเคครับครับผมน้อมสักการครับอาจารย์ครับสวัสดีจ้าครับน้อมสักการครับอ่าใครอยากจะพูดต่อเชิญเลยอ่าใครพูดกราบสวัสดิ์กราบนมัสการค่ะอาจารย์พระอาจารย์ บรธ น, นาจากที่ไหนหนูอยู่กรุงเทพค่ะนี่เพิ่งข้างแรกเพ่งจะมาใช้โปรแกรมซูมสาธาธรรมานะพระอาจารย์คือคือหนูอยากจะถามว่าถ้าเราใช้วิธีแบบวิปัสสนาโดยการสวดมนต์จะได้ไหมคะการสวดมนต์นีส่วนใหญ่เพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิก่อนอได้สวนไปก่อนก่อนที่จะม่ปัสสนาได้ต้องมีสมาธิก่อนพยายามสวดไปเยอะ ให้ใจสงบ ใ, ใจเย็นเพราะว่าตอนนี้หนูใช้วิธีคือสวดมนต์สวดมนต์อย่างเดียวเลยแต่ว่าเวลานั่งสมาธิอใจมันยังไม่ค่อยสงบแต่ว่าพยายามใช้วิธีคือพุโทโธพุธโทโธอ่ะค่ะนั่นแหละถูกต้องนะุ้ทโธ บ, บ้างสวดมนต์บ้างช่วยทำให้ใจสงบพระอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเวลาเราทํางานบ้านไปด้วยซักผ้าอะไรอย่างนี้แล้วเราสวดมนต์ไปด้ว ย, ยงี้เป็นบาปไหมอะ่ะไม่บาปเป็นการปฏิบัติ ถ้ า, าถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยู่กับคนอื่นก็อย่าไปสวดออกเสียงเดี๋ยวคนเขาไม่เข้าใจอ๋อแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวจะสวดออกเสียงก็ได้สวดในใยก็ได้อย่างสมมุติว่าเวลาเดินเดินเนี่ยรอบรอบคอนโดอย่างช่วงโควิดนะคะหนูก็ไม่มีงานทําตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือก็ก็ยังตกงานอยู่อ่ะคะ่ะเพราะว่าโรงบาลไม่ให้ไปขึ้นเว้น ก็ใช้วิธีคือเดินรอบคอนโดแล้วก็สวนมนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ได้ได้นะอ า, าอะจารย์พักไปรอบไปรอบโค่นชาวบ้านครับว่อาอาจารย์ยังไปสวดสิงดาวสวดสวนแบบในใจอคะค่ะสวนแล้วเดินถ้าสวน ใ, นในใจได้ก็ดีคนหนึ่งก็จะได้ไม่มาสงสัยว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีโอกาสดีก็ไม่รู้ถ้ามีโอกาสหนูจะขอไปกราบในมัสการนะคะว่าอาจารย์ได้ วันนี้จะมีการแสดงธรรมวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระกับวันหยุดราชการถ้าจะมา<ฆ>ขอให้มาในวันเหล่านี้อย่ามาวันอื่นนะเพราะวันอื่นไม่ได้รับขอนะคะอือค่ะค่ะโดยเฉพะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันห ย, ยุดชดเชยอืมถึงสี่โมงดีใจจังเลยได้คุยกับพระอาจารย์เพราะว่าได้อ่านธรรมะพระอาจารย์เหมือนกันพี่ชายเขาชอบส่งมาให้อ่านค่ะอ่ ดีใจที่ได้มีโอกาสให้มาพบกับทุกคนดูว่าดูก็มีบุญมีบุญเหมือนกันเนอะว่าถ้าแม่ก็เสียไปแล้วแต่ว่าก็ทําบุญบ่อยเหมือนกันก็ไปส่งบุญให้แม่อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าแต่แท้พ่อจันบอกว่าสวดมนต์ได้นี่ก็แสดงว่าแสดงว่าน่าจะใช้ได้อยู่ใช้วิธีสวดนต์ก่อนนะฮะใช่สวดมนต์ดีสวดไปก่อนจะได้ทำไปเรื่อยทําทุกวัน ถ้าเหนื่ยก็ลองดูลมหายใจถ้าพักส่วนแล้วก็คอยดูลมหายใจเข้าออกไปได้อย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆต้องมีอะไรคอยบังคับมันถ้าไม่ส่วนพลถ้าส่วนมลแล้วรู้สึกหน่วยก็ลองถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเดินก็ดูเท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะเรียกว่าเป็นการเจริญสติ อืก็คือขอขอขอให้จิตของเราไปอยู่กับบทสวดอันนั้นใช่ไหมคะอย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นถูกต้องถูกต้องคิดแล้วมันสุ้งซานคิดแล้วมันเครียดค่ะพอไม่คิดแล้วมันเบามันเย็นมันสบายอ่าค่ะยาำทาไปเรื่อยนะค่ะค่ะกรรบนมมัสการนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะกรรบนิมมุตนาค่ะ ่าัิท่านต่อไปใครอยากจะพูดก็ชาญพูดได้เลยเปิดไหม่ค่ ะ, ค, ะคุณจิได้ยินไหมคะกับน้ำมัสการกจารอยู่ที่ไหนอยู่แมรี่แลนด์ที่อเมริกาค่ะเคยเข้ามาหรือคะ่ะเคยเข้ามาครั้งครั้งซูมครั้งที่แล้วเจ้าค่ะยังไงบ้างที่ น, นั่ตอนนี้หนาวเว้อน ตอนนี้ร้อนเท่าเมืองไทยแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าความชื้นไม่เท่ากันเท่าไหร่ค่ะที่นอนแห้งกว่าบ้านเราใช่เจ้าค่ะคือวันนี้โยมกําลังจะต้องไปทําภารกิจซึ่งมันสําคัญเหมือนกันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าจิตใจประหม่าและเศร้าหมองนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะคือเราจะเตรียมใจของเราที่จะไปเหมือนคือโยมจะมีปัญหาสดครอบครัวนิดหน่อยอะค่ะจะต้องไปเจอทนายอะไรแบบนี้ ก็เลยจะขอพอรพระอาจารย์นะคะ่ะว่าทํายังไงจะให้เวลาที่เราโดนตั้งคําถามจากทนายฝ่าเราจะแบบมีสติหรือว่าไม่ประมาประมาณเนี้ยค่ะก็ทําใจกลางเฉยๆแล้วก็อย่าไปอยากได้อะไรพก็ไปต <c oughs> ามความเป็นจริง <c oughs> แล้วค่ะแล้วอยากได้อะไรหรือไม่ได้ก <c oughs> ็ไม่ต้องไสนใจคปอย่า อยากแล้วบางทีมันจะทำให้เราพูดปลดใช่เจ้าค่ะอย่าไปพูดปลดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแต่เราขอให้เรารักษาศีลและธรรมไม้ดีกว่าเสียแรงเสียไปอย่าไปเสียศีลและธรรมไปพูดปลดอย่าไปหรอกรวงเขาเพื่อให้เขาทำอะไรให้กับเราใช่ค่ะยก พยายามพรรษานี้ก็เลยตั้งจิตว่าจะขอพยายามตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะทำสี่ห้ให้สมบูรณ์นะคะพรรษานี้ถูกต้องมันนี่สำคัญมากสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองค่ะแล้วเวลาหวังเรโยมจะพอเวลามันมีปัญหาแบบพวกนี้เข้ามารบกวนจิตใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ทํายังไงเวลานั่งสมาธิมันถึงจะรวมจิตได้แบบไม่ฟุ้งไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนถ้ามันฟุ้งก็สวดมนต์ไปก่อนแล้วการที่เราสวดมนต์ในใจกับการที่เราเปล่งสิ่งออกมานี่ความศักดิ์สิทธิ์หรือการที่ตั้งสมาธิมันเท่ากันใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าไหนมันเหมาะกับเราถ้าเราสวดในใจไม่ได้เราก็ต้องสวดถ้าสวดถ้าสวดในใจได้ก็สวดในใจไปมันจะสบายกว่า เจ้าค่ะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมคะที่บางคนบอกว่าต้องสวดเสียงดังๆเพื่อกอุ๊ปเทปค่ะไม่เกี่ ย, เ, ยเราไม่ได้สวดสวให้ใครฟังเราสวดเพื่อให้ใจเราสงบให้ใจเราสงบนะคะถ้าสวดในใจได้มันสบายกว่าน้ามันส <จะ S 1> งบง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเกี่ยวกับร่างกายเจา้าค่ะค่ะพระอาจารย์โยมขอขอแค่คํำคาเตือนสติจากพระเท่านี้พอจบ วันนี้ก่อ okay, นโอเคนะเราต้องซื้อสติเกลิดเชื่อตรงนะแล้วค่ะรักษาค่าดีบัสรักษาชีวิตให้คิดอย่างนี้เสียไม่ยอมเสียสีลเท่าเท่ายอมเสียอย่างอื่นไม่ยอมเสี ย, ไ, ย ไ, ได้ได้ไปนี่เราเลยไปไม่ได้แต่เราสินเราทําไปได้เจ้วค่ะกราบ น, นมันสการขอบพระคุณในธรรมค่ะสาธุจ่ะ กับนมักการผาาู้อาวุโสค่ะเชิญเลยจัดให้เออโยมพนิดาชาญชาวันนี้ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ อ, ะอยินดีท่านรักมีอะไรเยอะเป็นเข้ามาครั้งแรกค่ะใจเรียนถามผู้อาวุโสว่าปกติแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยเราจับลมภาวนาพุโทโธไปเรื่อยเสร็จแล้วลมเอ่อความภาวนาไม่หายไปแล้วเนี่ยอันนั้นเรียกจิตรวมหรือยังคะยังหรอกถ้าจิตรวมนี่มันจะเป็นเหมือนเหมือนกับ ตกลงจากที่สูงเงี้ยพราพูดในหลอกเมาสบายจะเป็นความรู้สึกแบบประหลาดนาสะใจใจที่เราไม่เคยพบเคยมากอนแล้วอย่างนี้สแสดงว่าสติสติของหนูไม่ไม่ทันกับลมที่ภาวนาใช่ไหมคะใช่ก็ถ้าเราใช้พโทรธกำกับลมด้วยใช่ไใช่ค่ะหนูใช้ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพิถโปรพิถโปไปเรื่อยๆถ้าพูดโทรถ้าพูดโทหายไปไม่เป็นไรขอให้ดูลมต่อถ้าดูลมต่อได้ก็ยังมันมีสติอยู่มันแต่ถ้าไม่เห็นลมนีม่แสดงว่าสติตามไม่ทันแล้วแก้ยังไงครับอาจารย์อ๋อไม่น่าหรอกบางทีไม่เห็นลมบางทีลมมันละเอียดอ๋อลมันละเอียดไม่เห็นลมก็ดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่หรือเป่าไม่ได้คิดนิ่งๆเหมือนอยู่ในห้องว่างๆค่ะถ้ามันนิ่งก็ดูไป ให้มันให้มันนิ่งมันว่างๆไปคลายเศ้าดูให้มันว่างให้มันนิงถ้ามันเริ่มคิดก็ต้องหยุดมันอ๋อตอนนี้ไป่เสืาพอรู้สึกตัวนี่ก็ก็ทําต่อไปเลยใช่ไหมคะใช่มันต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าไม่รู้สึกตัวแสดงว่าหล่ะแต่ตัวไม่เอ็นนะคะพอาจารย์ไม่สําคัญว่าเอ็หรือไม่เอ็นสาคัญที่ว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาตอนนี้หรือเปล่า ออต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ถึงจเรียกว่ามีสติถ้าไม่รู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวนี้แ<า>สดง ว, ว, ว่าหลัะอือไม่เป็นไรให<ต>ม่ๆก็เป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะ<า>ตัวเราก็เริ่มทำต่อไปค่ะกับนมัส ก, การขอบพระคุณค่ะาอาจารย์ย่าสาธุเจ้าใครต่อเลยใครอยากจะพูดอชจารย์าลาค่อนแก่เนละ จะพูอะไรหรือเปล่าคุณอัญชล่าจากคอมเก๋นแตน่ก็ไม่ได้ยินเสียงใคร อ, อยากจะพูดเชิญ น, นะเปิดไมค์แล้วก็พูดได้เลยอาจารย์ค่ะสวัสดีจ้ะมาจากที่ไหน อ, อ่าหนูอยู่สิงคโปร์คะ่ะอาจารย์อยินดีต้อนรับค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันบังเอิญค่ะว่าอยู่ในเว็บเพจอาจารย์แล้วก็ เห็นมีการซูมก็เลยกดเข้ามาดูค่ะมาฟังค่ะใช่ช่วงนี้เรากำลังทดนองออกกัศก็ไม่ได้มีการประกาศล่วงหนะ้าค่ะฟร้อมก็เลย<ม>ก็เข้ามาเลยอาจารย์หนูมีคำถามค่ะมีเอ่อเป็นครั้งแรกที่เริ่มถือสิแนแฝกค่ะเริ่มมาพระจ่ายวันอัสรหาะวันนี้เป็นวันที่สามก็คือว่าเอ่อก็ได้ศึกษา พุทธศาสนานะคะแล้วก็แนวทางเรื่องปฏิบัติจะเป็นครั้งแรกที่ปฏิบัติจริงๆจะเรียนถามอาจารย์ว่าเวลานั่งแล้วเนี่ยจิตมันรวมนะคะไม่ไม่ง่วงได้หลักรู้สึกตลอดรู้สึกแปลกใจว่าสามารถนั่งได้นานเป็นสี่สิบนาทีถึงเนึ่ยไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกเลยนะคะคำถามก็พอนั่งไปสักพักหนึ่งพอมันเริ สบายนะคะอาจารย์ทุกทีมันก็จะอยู่อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ายังรู้ตัวนะคะไม่ทราบว่าต้องทาอย่างไรต่อไปครับไม่ไม่มีความเข้าใจะคระอาจารย์ก็พยายามให้มันไ่้สง บ, บไปนานๆการสั้งสมาธิเพื่อให้มันนิ่งให้มันสง บ, บเพื่อที่จะได้พักผ่อนจิตใจธรรมดาเราคิดแล้วจิตใจเราพักใะหนักอกหักใจใช่พอเราสง บ, บจริงๆเราจะมีความสุข ค่ะก็ให้พยายามให้มันสุกไปนานๆอยู่ไปนานๆ ด, ด้วยสติของเราจนกว่ามันจะถอนออกเลยโอ้ค่ะหมายถึงว่าถูกลงพยายถ้าถึงอยู่ตรงนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกตัวได้ไม่เป็นไรให้อยู่ไปนันานานๆให้มันยิ่งนานๆนั่นคือสมาธิไม่ใช่ปัญญาปัญญาต้องอีกเรื่องอีกอีกเวลามไม่ใช่เวลานนี้ ค่ะแล้วเนี่ยละค่ะพอพอพอรู้สึกว่ามันหยุดอย่ดสบที่แต่มันสบายนะคะมือไม้ทุกอย่างไม่เมื่อยแล้วก็นิ่งจิตนิ่งดีแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปก็คือให้เกิดปัญญาแต่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้พยายามเห็นอย่างนี้ไปให้นานที่สุดก่อนใช่ไหมคะใช่ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแล้วยถ้าอยากจะเจริญปัญญาค่อยมาพนาใตาละค่ะ ค่ะแต่หนูอาจจะยังไม่เข้าใจมากแลก็ไว้ไว้จะเข้าเข้ามาถามใหม่ค่ะเรื่องของเจริญปัญญาค่ะได้ตอนนี้เอาสมาธิให้มันชำนาญ่อนก็ได้นะย่งนั่งให้นานนั่งให้บ่อยนั่งให้มันง่ายวันนี้ ค, ค่ะอาจารย์วันนี้นั่งได้สามรอบแล้วก็เดินจงกรมหนึ่งรอบนะคะเ ด, เดินจงกรมหนูไม่เห็น หนูไม่เห็นอย่างอื่นแต่ว่าเข้าใจระหว่างเดินจงกรมกับการนั่งนั่งสมาธิรู้สึกว่าจะทําให้อา่ามีมีสมาธิได้ได้เร็วกว่าค่ะใช่การเดินจงกรมนี่เป็นการสร้างสติเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับการนั่งสมาธิต่อค่ะพอพอเดินจงกรมได้แล้วก็พอเริ่มนั่งเนี่ย มันมันจะดีพอหลับตามันก็ก็ ก, ก็ก็รู้สึกดีค่ะหลวงพ่อไม่ได้คิดมันจะสงบได้เร็วเพราะเราหยุดความคิดตั้งแต่ตอนที่เราเดินจบขอรงการแล้วโอค่ะแต่หนูนั่งนับเก้าไปไม่เป็นไรใช่ไหมคะได้างานก็ได้ขอให้มันไม่คิดท่านะไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพยายามนับแล้วก็เหมือนการลมหายใจค่ะเพราะว่านั่งนับ พูดหนึ่งพุดสองไปเรื่อยพอครบพอครบห้าร้อยครั้งก็จะได้หนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะได้ทำไปเรื่อยๆค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสาธุนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะอ่าเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับหลายหลายคนใขอยาจะพูดพูดต่อได้เลยครับอาารครับสวัสดีคุณเนกนักอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพครับผมาอาจารย์ยินดีต้อนรับมีอะไรอยากจะพูดเชิญอาจารย์ยว่าการปฏิบัติที่บ้านเนี่ยครับขอคําแนะนําว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะพัฒนาด้านการปฏิบัติแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยครับก็ต้องต้องมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่มีการกําหนดเวลาเราก็อาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างอาจาต่อารับ ถ้าเรากําหนดเวลาที่เราก็จะได้ทําตามที่เวลาทําตามตารางที่เรากําหนดไว้มันจะก้าวหน้าม่ก้าวหน้าอยู่ที่การปฏิบัติของเรามากหรืน้อยปฏิัตมากมันก็จะก้าวหน้ามากปฏิบัติน้อยมันก็จะก้าวหน้าน้อยครับแล้วคนจะจับตารางเวลาไว้ก็จะได้บังคับตัวเราให้ปฏิบัติมิฉะนั้นบางทีมันเผลอมันลืมไปทําอะไรแล้วก็ลืมไป อถึงเวลาต้องปฏิบัตออนะิแล้วต้องทําให้โน้นให้นี่แล้ววิธีหนึ่งแล้วเวลาปฏิบัติก็ต้องมีสติอย่าฝึกสติทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเราปฏิบัติเท่านั้นครับมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกกิริยาทำอะไรก็ให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่น้ําแปรงฟันนั่งน้าอะไรนี่ก็อยู่กับงานที่เราทํา ให้ใจไปคิ ด, ถ, ดถึงอดีตถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าจะมันจะนั่งคิดเรื่องงานก็ยินนั่งเฉยๆแล้วก็คิดให้เรียบร้อยว่าต้องทําอะไรบ้างาเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาควบคุมความคิดใจถ้าอย่างนี้จะมีสติมากเวลานั่งก็จะมันก็จะนิ่งไดมันจะไม่ลอยไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ นั่งดูลม ก, ก็จะอยูุดลองนั่นนงโทรมันก็จะอยู่รครับเราต้องเป็นผู้กําหนดเราปล่อยให้อารมณก์กาหนดแล้วมันก็บแบบเจอที่ไม่มีหางเสือเจอที่มันไปทางกระแสน้ําน้ามันพัดขึ้นก็ไปนองข้็ไปประมาณมันก็ขึ้นขึ้นลงองครับนี่เรียกว่าที่ฐานในการจัดตารางที่เรียกว่าเป็นอธิฐานบารามีขบวนตั้งใจง เาเลยได้สำเร็จที่ต้อมีอธิฐานบา ร, รมีเรามีอธิฐานแล้วก็ต้องตามด้วยความเพียรความพยายหมมากเพียรพรตั้งตารางแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทําตามก็ไม่แสดงว่าไม่มีความเพียรครับพอทำเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนเวลาทำแล้วบางทีมันก็ง่วงบ้างอะไรบ้างขึ้นมาต้องมีความอดทนต่อสู้กับอุค์ประาท อธิษฐานแล้วก็ทำความเพียรแล้วก็ต้อ ง, ม, องมีขันติอดทนอัจจาก็คือความความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของเราตั้งใจแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่หลอกลวงตัวเราเองครับเวลาต้องทําก็ทำเหมือนบางคนบอกว่าจะไม่กินเหล้าแล้ว แ, ลแต่พอถึงเวลาก็อดที่จะเปิดเหล้าขึ้นมากินไม่ได้ครับยิ่งยิ่งเป็นคไม่มีสัจจะ การจะทํำให้สําเร็จที่ทั้งบัดมีบารมีสี่ประการคือหนึ่งอธิษฐานบา ร, รมีสองสัจจะบา ร, รมีสามวิริยะบา ร, รมีสี่ขันติบารมีครับถ้าพอจพอนะภาวนามันก็ต้องภาวนาะต้อพระพุทธเจ้าในั่งอยู่ใต้โคนต้นโพธิน์นนก็มีจะอธิษฐานทำเพียรในพระบุตรถนนั้นขอกันบนะ้ า, านอาจารย์หน่อยได้ไหมครับว่าผม จะต้องทอํายังไงต่อบ้างครับก็สติปเป็นเรื่อตงต้นลองพุ่สติอยู่ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลองดูที่พวกอารมใจนั่นนั่นเลยอย่าปล่อยให้ใจตเตลิดเปิดเปิดไปที่นู่ที่นี่ก็เว้นเป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับการงานอะไรต่างในวันนั้นก็คิดไปพอเสร็จรู้ว่าต้องทำอํำเลยขณาดที่เราตรียูตัวไปไปทํางานแล้วก็ดึงมันให้มันอยู่กับประจุบาร์ครับ พูดโทรหนไว้ก็ได้ถ้ามันไม่ยอมทำคิดเรื่อนั้นเรื่องนี้อยู่ก็พุดโทไปพร้พอมๆกับงานที่เราทํนาำทางหน้าใบก็พุดโธไปแขวนใบก็พุดโทไ ป, ไ ป, ทไปลองทําอย่างนี้ไปก่อนครับแล้วพอเวลาพอมีเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งเลยนะนี่ก็พยายามเซ็ตว่าตอนเช้ามีเดินเดินจงกรมกับนั่งสมาธิตอนเช้าตื่นเช้าชขึ้นมาตีห้าเลย ได้ทำไปต้องกําหนดเวลากนะ็อยากเดียเด่ยวทำเดี่ยวจะไม่มีสัจจะครับผมข <Okay. S 2> อ, อบคุณท่านต่อไปก็อยากจะพูดเชิญพูดได้เลยอาจารย์ครับตอนนิมัสการครับอย่ที่ไหนชื่ออะไรชื่อชาวิตครับระอาจารย์อยู่ปทุมธานีครับอ่าเชิญมีอะไอยากจะพูดครับพระอาจารย์ครับผมเอขอกราบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทาง ในการพัฒนาจิตของตัวเองครับคือผมมีปัญหาเรื่องว่าผมเออ่วางอุเบกขาในผมมักจะเกิดโทสศัพทกับคนรอบๆตัวที่อยู่ภายในบ้านนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางอุเบกขาได้ได้เร็วทําให้เป็นเป็นเหตุให้ให้คนข้างๆตัวเกิดความทุกข์อย่างเงี้ยครับการท่องพุทโธเป็นเรื่องยิ่ตงตาก็แมาก็ท่องไป ยังไม่มีพุโทโธอยู่กับใจใจจะนิ่งใจจะเฉยได้ครับด้วยเวลาถ้าเวลาไม่นิ่งจะก่อนแล้วจะทําอะไรไม่ดีก็พุโทโธพุทโธไปมันก็หยุดครับครับ น, นะพุโทโธนี่นมันเหมือนเบรกใจครับนะไม่ขับรถนะรถไม่มีเบรกมันก็ถึงสี่แยไปแดง ม, มันก็มันก็วิ่งอ่าใส่แดงไปครับชนกัรถคันไหน ถ้ามีเบรกพอแสงไฟแางแล้วก็หยุดได้มีพุทโธพอเราจะทําอะไรหรือพูดอะไรไม่ดีเราก็หยุดครับนะก็เป็นเบรกให้กับใจพุทโธนี่เป็นเบรกของใจส่วนใหญ่ก็เรียกเบรแตกสติแตกนี่ไหมสตก็คือไม่มีพุทโธเข้าใจครับแต่ว่าขอขอโอกาสพัฒนาใจนิดหนึ่งครับสติมันจะหลุด มักจะหลุดตอนที่เรารู้สึกว่าเสิ่งที่มากระทบอะครับมันทําร้ายตัวเราอ่ะครับอาจารย์มันก็เลยวากุเบกขาไม่ได้ครับก็ปล่อยมันกลับมาหาพุทโธอย่างเดียวไปห้ามมันไม่ได้สิ่งที่มากระทบเราเราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราอ้างใจเราเราหยุดใจเราให้เฉยได้พอเฉยแล้วอะไรมากระทบเราก็ไม่สะเทือนใจเราครับอาจารย์ครับนะเราไปห้ามคนเดียก็พูดไม่ได้ห้ามคนเดียก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ออมาจะมาทําให้เราสะเทือนใจนใ Cold, เราเราต้องใช้พุทโธช่วยท <barrier. S 2> ันทีพ no? yeah. ุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่สนใจเรื่องของคนอื่นคพยายาให้เขาทานู่นทํานี่ไม่ทํานู่นไม่ทํานี่มอยู่ถุบใจเราให้เฉยถ้ามันก็จะไม่มีปัญหาครับอาจารย์ครับพยายามพยายามติดเบรคอย่างพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมี ท่านต่อไปเดินเราจะลาเปิดไมโครโฟนก่อนจ้าไมโครโฟนอยู่มือซ้ายของของจอกราบสมาชิกการอาจารย์ค่ะอ่าโยมสังหรณ์เชิญท่านพระอาจารย์ค่ะอ่าคือโยมมีคำถามเดี๋ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะท่านคือเมื่อสติตัต้งมั่นมีฐานของส ต, ติเต็มฐานแล้ว เอความยอมยมจะเกิดอาการแน่นที่กลางหน้าผากตลอดเวลาค่ะท่านไม่ว่าจะตื่นชั้นอนทุกอิริยาบถคราวนี้เนี่ยยอมต้องการที่จะให้มันลงมาที่ฐานฐานกลางกลางตัวใช่ไหมคะท่านแล้วเวลาเดินจงกรมมันก็จะลงมาอยู่ที่กลางตัวแต่ว่ามันไม่เกิดจิตเบาสบายปร่งโลง่งแล้วกลายเป็นว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะแข็ง ไปทั้งครึ่งตัวอย่างน้นะคะท่านโยมต้องแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้การพัฒนาจิตของโยมพัฒนาก้าวหน้าไปเะคะท่านโยมใช้อะไรเหรเวลาปฏิบัติโยมใช้พุโทโธค่ะแล้วก็ตอนหลังเริ่มใช้แบบอ ส, สติเต็มตัวใช้การการปลุกตัวรู้อะคะ่ะท่านคงจะไม่ไม่ถูกถ้าใช้สติปลุกตัวรู้เพราะไม่มีเพราะไม่มีสติที่จะมาปลุก จะไม่ตื่นอ่นมันต้องใช้พุทโธปลุกสติก่อนยังงี้ยมต้องแก้ที่ไหนคะก็มาเข้าพุทโธพุทโธไปคราวนี้เวลาที่ยมเวลาที่โยมเข้าพุทโธมันจะหลงแล้วก็ดิ่งแล้วก็มันก็จะง่วงอ่ะค่ะท่านต่างวงก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พุทโธไปก็พุทโธไปใช่ไหมพุทโธไป ใช้พูดโทยอย่างเดียวไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินหรือจะยืนทําอะไรพูดโธรไป่าการแน mm ่น hmm. ต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้น mm hmm. ถ้าเราใช้สติพยายามดูตัวเราเนี่ย ม, ม, มันใช้ไม่ได้เพราะเราไม่มีเพราแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันก็จะมีอ่โอกาสที่จะมาสร้างปัญหาให้กับเราเช่นสร้างความรู้สึกต่างๆมาให้กับ ใช่ค่ะพูดโพูดโทรคอยกำกับที่มันกิเลสทํางานไม่ได้ไประหยัดประหยัดพูดโทไปนะถ้าสลับกับส่วนมลไปก็ได้ไดปีเปิไปก็ได้น ะ, ะแล้วถ้าเวลาหนะ้ามไม่อยากจะพูดโธรไม่อยากสวดก็ดูลมหายใจไปแต่อย่าร่างเฉยๆอย่าดูตัวรูเฉยๆเพสเตตเรายัางไม่มีกําลังที่จะไปหยุดกิเลส ค่ะแล้วถ้าเกิดโทรมันหายแล้วค่ะอะไรคะถ้าถ้าพุทโธหายโยมก็ต้องกําหนดกลับมาที่พุทโธเหมือนเดิมหรอค่ะท่านใช่ถ้ามันหายเพรเราหยุดแล้วเราก็ต้องทำมาใหม่แต่ถ้ามันหายเพราะจิตนิ่งสงบจิตโยมก็ไม่ต้องพุทโธแต่ถ้าปกติเวลายมพุทโธโยมจะดูลมหายใจไปด้วยค่ะท่านก็ได้เก็กลับเอาทั้งสองอย่างไปได้ถ้าอย่างได้ถ้าเกิดว่าลมหายใจหายก็พุทโธไปอย่างเดียวพุทโธหาย ยมต้องอยู่กับอะไรค่ะท่านคุณทัวรหายลองหายก็อยู่กับนี่ก็ดูดูตัวตัวปัก ค, คิดว่าคิดอย่างไรให้มันคิดค่ะมัเพราะยมรู้สึกใช่ค่ะเพราะยมรู้สึกว่ายมคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหลไปเรื่อยอๆแล้วมารู้ทีก็คือเอา้าไหลไปแล้วกําหนดตอนที่มันไหลไปแล้วแล้วมันก็กลับมาแต่พอมันกลับมาสักพักหนึ่งมันก็กลับไปไหลอีก แล้วก็แล้วก็ถ้าท่านนานๆเข้าโยงก็เริ่มม่วงแล้วก็ไปนอนดีกว่าเออก็หมดกําลังก็ไม่เป็นไรก็เรายังเป็นนักเดินรู้กุ๊กการรู้กันยืนได้ยังสองสามเก้ามันล้มไปก็พยายามทําไปเรื่อยๆพยายามให้มีพุทโธอยู่ในใจพยายามอย่าอย่าปล่อยจิตให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆเพราะมันยังไม่มีกําลังที่จะตูวกับที่เหลวได้ ค่ะเยื่อเใช้พุโทโธพุทโธสู้กนแล้วถ้ายังมทำถูกทางแทนที่จิตมันจะนิ่งแน่นตึงแน่นอยู่ในกายมันก็จะป่งรุนมันจะว่างเบาสบายกบขอบคุณค่ะท่านอ่ครบยครัคนต่อไปใครอยากจะพูดเชิญได้เลยคุณอาชลาเห็นยกมือไหวแต่ไม่เปิดไมโครโฟนเนี่ยเปิดไมโครโฟนก่อนมุมซ้ายของ จอรัชนาคอแก่อ่าได้ยินแครับฟังเสียงเง้ยดัยเสียงเบาเหลือเกินอ่เสียงคุณเบามากเข้ามาใกล้ๆได้หเราเข้ามาใกล้ๆจอใกล้ๆเครื่องได้เจ้าค่ะออดังขึ้นเข้ามาใกล้ก่นี้ก็ได้อเอาใกล้ปากเลยก็ได้ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ แค่อยากกราบขอบคุณพระอาจารย์ว่ารู้สึกปิติเจ้าค่ะคือเคยไปกราบพระอาจารย์แต่ครั้งนี้ได้ได้เจอพระอาจารย์โดยที่ไม่คาดคิดแล้วก็เออมันมันรู้สึกว่าคืออภิษฐานพรรษาในปีนี้คือการปฏิบัติเจ้าค่ะก็คือทุกครั้งที่จิตสงบจะมีความรู้สึกเหมือนผิวผิวเจ้าค่ะคือเหมือนมันยังไม่ลึก แต่ไม่มีทำบริกรรมเจ้าค่ะแล้วพอครบชั่วโมงเหมือนเขาจะถอนออกมาเองนะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าปีนี้แต่อธิษฐานพรรษาคือทุกครั้งจะติดวัดจะต้องไปวัดแต่บางครั้งมีภารกิจในการงานก็อธิษฐานพรรษาว่าขอให้การปฏิบัติมีความเพียรเนี้ยติดต่อและต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีการมีเวลามีสถานที่ขอให้ความเพียรเราเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่เราไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานที่บ้านนะเจ้าค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงเราถึงจะแบบเออมันส ต, ติให้มันไม่ไหลถึงเวลาเข้ามาปฏิบัติได้เลยนะเจ้าค่ะหลังจากเลิกจับงานกลับมาที่บ้านนะเจ้าค่ะก็ต้องใช้พุโทโธคอยคอยนึ่งจิตไว้เวลาเลิกทำงานเดินทางกลับเ่อพยายามพุโทโธพุโทโธระหว่างทางไปเริ่มทำเลย แตามารอทำตอนที่มาเริ่มหน้ามันจะมันจะไม่มีกาลังพอ็พยายามพุทโธในช่วงที่เราไม่ต้องทำงานไม่ต้องใช้ความคิดต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แพอเรามาถึงบ้านพอเรามานั่งมันมก็จะง่ายมันก็ความคิดมันก็จะน้อยลงแล้วค่ะแล้วตอนที่เราอยู่ที่ที่ทำงานเนี้ย ช่วงในคือจริงๆแต่ในพรรษานี้จะระวังมากขึ้นก็คือเราต้องประคองใจเราไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบใช่ก็ต้องใช้พุโทโธนะช่วยได้พายามใช้พุโทโธเราไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องกา ร, ร, รเรพุทโธพุทโธมันก็จะดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับความอยากเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่โยมอยู่ที่ทํา ง, งานขณะที่เราเรานั่งเขียนหนังสือเจ้าค่ะ โยมเห็นมือข้า ง, งซ้ายที่ไม่ได้จับปากกาเนี่ยเห็นมันเป็นกระดูกมันขึ้นเป็นกระดูกะเจ้าค่ะแต่โยมก็รู้ว่ามันไม่จริงมันไม่แน่โยมก็ดูไปเรื่อยๆยนกระดูกตรงนี้เจ้าค่ะมันหายมันหายออกไปเองอ่ะเจ้าค่ ะ, อ, ะอย่างนี้ก็เวลาเกิดนี่เราไม่ต้องไปไปตีความหมายอะไรกับเขาใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องหรอกก็ดู ว, ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ไม่จริงยมว่าไม่จริงพ่อยมทํางานอยู่เขียนหนังสืออยู่มันขึ้นมาเป็นกระดูกให้เห็นเองอ่ามันไม่มีกระดูกอะกระดูกมือเราไม่มีกระดูกแล้วเราเห็นเพราะว่าทําไมเจ้าค่ะทําทไมเราถึงข่าวใจเราใจเราคิดขึ้นมาถึงมันก็เห็นอเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราคิดถึงมันถึงคองกระดูกเราไม่คิดถึงมันเราก็เลยมองไม่เห็นมัน โครงกระดูกนี่มีในร่างกายของเราทุกคนใช่ไหมมีแล้วปะอา่าแําทําไมมองไม่เห็นเพราะไม่คิดถึงมันอ๋อแสดงว่าแต่ตอนที่ทํางานโยมก็เขียนหนังสือคิดงานแต่อยู่ๆตามันชําเลืองไปที่มือแล้วเห็นมันเป็นกระดูกขาวๆอ่าก็แสดงว่ามันเคยคิดมาก่อนอ๋อใช่เจ้าค่ะเพราโยมโยมไอไอ ย, ยังโผเมกาโยเราก็จะสวดมนต์นะเจ้าอา่ามันเคยคิดมาก่อน พอวันดีคือดีมันก็พิสขึ้นมาให้เราเห็นเรนถือว่าเป็นนิมิตที่ดีแต่เห็นของจริงไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะเออมันมันหายออกไปเองไอ้เจ้าค่ะมันปรากฏแป๊บสักครู่แล้วมันค่อยค่อยคายออกเหมือนอไปพยายามขยายให้มันเห็นไปทั่วตัวเลย่ยเห็นมาถึงแขนเห็นมาถึงศีรษะเห็นมาถึงกลางอก ของกระดูกอะไรไต่างๆเห็นนะมันทั่วร่างกา ย, ยเลยเออเจ้าค่ะแต่มันอยู่ที่ทํางานแล้วโยมนั่งทำงานโยมก็เลยแค่มองมันเฉยๆไม่ได้คิดต่อเจ้าค่ะไมันเป็นอะไรก็เอามาเอามาทําตอนตอนที่เรากลับบ้านเอามาทําตอนที่เราปฏิบัติได้ครันะอันนี้เป็นหมือยกับนน้อ่าเป็นหนังตัวอย่างให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะมองกันเราจเห็นนะอันยังเข้าเมกาโยเนี่ย เหนอา ก, การ32เลยได้ยิ่งดีอะโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเนื้อเห็นแกกระดูกเยื่อในกระดูกมามเป็นหัวใจตับปอดเราต้องไปเห็นมันนึกนึกน็ก ไ, ไปก่อนคิดไปก่อนภาพไปก่อน้าเดี๋ยววันนี้คื น, นี้มันพอใจจะโผล่กมามันเห็นขึ้นมาเองค่ะโยมจับ ได้อยู่ที่ไหนอยู่ขอนแก่นนะโยมอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะโยมได้ปฏิบัติแต่ว่าโยมอยู่ขอนแก่นเวลาไปกราบหลวงตามหาบัวก็จะได้ไปไม่บ่อยอเจ้าค่ะแต่ก็ตอนที่องค์พระหลวงตามีชีวิตอยู่โยมได้ได้ปฏิบัติตาแบบได้ไปที่วัดสิบกว่าปีเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นก็ทําแบบไม่รู้เรื่องเจ้าค่ะพอหลังจากที่องค์พระหลวงตาละโยมก็ มานั่งคําสอนหลวงตาก็จะผุดขึ้นมาค่อยๆทบทวนแล้วก็ปฏิบัติตามเจ้าค่ะอ่าถูกต้องไปยังศึกษาไปทบทวนไปแล้วก็ปฏิบัติตามไปถ้าเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราเห็นอะไรต่างๆหลวงตาเห็นเจ้าค่ะโยมกราบขอบคุณมากๆเจ้าค่ะโยมศษาถือปัญาใครอยากจะพูดต่อแชญได้เลย นามสกุลพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ค่ะหนูชื่อบุญชื่ออะไรอยู่ที่ไหนค่ะหนูชื่อบุญนาภาด้วงกันค่ะอยู่ฉะเชิงเซาเจ้าค่ะได้มีอะไระอยากจะพูดแทนไอมค่ ะ, าาคะลูกอยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์นะคะคือเวลาลูกสวดมนต์แล้วก็ อ, อนั่งสมาธิเสร็จนะคะลูกจะอธิษฐานว่าเ อ, อ ลูกขอนิพานในปัจจุบันชาติแต่หากปัจจุบันชาติบารมีลูกยังไม่ถึงอขอให้ลูกได้เกิดในพระสีอริยะเมตตายอย่างนี้ค่ะคือลูกไม่อยากไม่อยากมาเกิดในระหว่างที่ลูกยังไม่ไม่บรรลุอย่างนี้ค่ะเจ้าค่ะขอมไม่ได้หรอที่ฐานขอไม่ได้ธรามะที่ฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอการิ่งทีง่ฐา น, นแปลว่าความตั้งใจค่ะ งั้นอย่าไปขอเลยทำมาความทำเอามาควา ม, า ม, าวามทำความตั้งใจดีกว่าแจกคอปตั้งใจปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติไปที่จะดีกว่าค่ะยิ่งปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ยิ่งใกล้กับความสําเร็จมากเข้าไปเท่านั้นแหละ อ, อืมเจ้าค่ะเนพราอขอโน่นขอนีอนอน่มันเป็นความเข้าใจสิว่าที่ฐานนี่ไม่แปลความหมายที่แท้จริงมันไม่ได้แป ล, แลว่าขอแต่ว่าตั้งใจที่จะทําอะไรอย่างไดอย่างหนึ่ง ถ้างั้นก็คือลูกลูกก็คือจะอธิษฐานเปลี่ยนมาเป็นอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้มี<ด>สมาธิาาธาค่ะได้ได้ปฏิบัติได้มีสมาธิมีสติมีปัญญาได้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ได้ได้ไม่ได้ต้องขอปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้ต้องปฏิบัติถึงจะได้ที่เป็นผลสมาธิก็เป็นผลจากการปฏิบัติค่ะงั้นต้องขอให้เรา ตั้งอที่การปฏิบัติดปฏิบัติชอบจะไม่ทะเลทลายไม่ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งพระาจารเวลาที่พราจารแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเป็นผู้มาชวนเวลาว่างก็ชวนไปเที่ยวไม่ไปจะไปปฏิบัติตทำค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ทุกวันเนี้ยค่ะพระอาจารย์เ อ, อมีความรู้สึกเบื่อเบื่อหลายๆอย่างเจ้าค่ะ ตัวอย่างเช่นเวลาทํากับข้าวทานหรืออะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าโอมันเป็นใช้เวลาเยอะคือคือเหมือนแบบใช้เวลาเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราเบื่อค่ะเราเบื่อก็เป็นพิธีเดี๋ยวนี้สมัยง่ายโทรศัพท์มาก็ได้ซื้ออาหารสรําเร็จรูปก็ได้ <c oughs> แล้ว ก, กินให้มันน้อยกินมื้อเดียวค่ะอ่ะาจา้ะค่ะไม่นั่งกินมากหรอกกินพอให้มันอยู่ได้ก็พอ ค่ะเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าพระอีกเรื่องหนึง่งค่ะตอนนี้ค่ะก็คือเวลาเวลาลูกไปปฏิบัติงานนะค ะ, ะลูกมีความเครียดค่อนข้างเยอะค่ะคราวนี้ในในส่วนของความกดดันค่ะของพระอาจารย์คราวนี้ลูกลูกต้องใช้ความอดทนในที่ทํางานค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะเหตุของความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากความอยากของ ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยเครียดพยายามพยากาปอยปล่อยให้มันเป็นไปใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปเจ้าขาถ้าเราไปกังวลกับคนนั้นคนนี้มันก็จะทําให้เราเครียกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทําทให้เราเครียดเจ้า่ะ อย่าไปกังวลทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้เท่าไหร่ก็เท่านะถ้ <ş ark> เาเขาจะไล่ออกก็ถือว่าดีจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้เลยปรารถนาอยู่ค่ะพระอาจารย์บางทีเราเราต้องมีวิกฤตเพื่อจะได้มาทำให้เกิดเป็นโอกาสช่วงตกงานช่วงโควิดนี่มีเวลาปฏิบัติธรรมกันเยอะแยะเลยนะ เพอคอเชิญท่านต่อไปอใครจะพูดเปิดไ ม, ไม้ก็พูดได้เลยคุณจาริยานีอยู่ที่ไหนอุโมงพนมค่ ะ, คะอะมองอเชิญพูดใกล้ๆ้ให้มีเสียงดังหน่อยได้ไหมเสียงเบาไปหน่อยค่ ะ, อะโอเคนุ่มมีคำถามถามพระอาจารย์นะค ะ, ะเชิญเวลานั่งสมาธินะคะแล้วเวลาแบบ จิตมันสงบอ่ะมันเหมือนปกมาจากตึกสูงๆอ่ะคะ่ะ<า>แล้วไม่รู้ว่าพื้นมันอยู่ตรงไหนอ๋อไม่มีหรอกมันไม่ความรูม้สึกแต่ว่าตอนนั้นอะเรายังคิดได้อยู่นะคะก็รู้สึกทุกครั้งเวลาเป็นอย่างนั้นจะรู้สึกกลัวะคะ่ะอาารย์คือมันยังไม่สงบเต็มรอยไแล้วก็ไม่สงบนานมันแบบชั่วว่าแล้วมันก็เริ่มคิดต่อแล้วก็ตั้งสติจต่อไปคื อ, ต, อต่อไป<ข><ข> เมื่อดูลงต่อไปที่ตกลงไปก็จะรู้สึกว่าหัวมันดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารแล้วก็ ม, กวมันเป็นความรู้สึกเฉยๆนั่นเองร่างกายมันไม่ได้ต่อไปไหนหรอกร่างกายมันก็อยู่ที่เดิม น, นี่เป็นเรื่องของจิตจิตแสดงรางการขึ้นมา คือตกอย่างนั้นก็พยายามพุทโธไว้ใช่ัหมคะอ่อพุทโธไว้ปล่อยมันตกไปมันจะตกไปถึงไหนอุปกรไม่กระแทกตึ้งก็กปลอดกระทกตึ้งไม่ต้องเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจิตใจร่างกายมันนั่งอยู่เฉยๆมันไม่ได้ทาอะไระร่างกายปลอดภัยจิตก็ไม่มีวันที่จะถูกทำลายได้จิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็นความรู้สึกไมกคิดท่านั้นเองให้มีสติ อยู่กับพุธทธองคพุธทธอไปพอกลัวก็พุธทธองคพุทธองค์พุธทพธอไปหือถ้ามีสติ ด, ดูมันไปดูว่ามันจะไปถึงไหนหรือว่ามันจะตกแล่ามันจะโคตแตกหรือเปล่ามันดิ่งไปเรื่อยๆไม่มีสุดเลยอะคะอ่ะคุณถ้าไม่มีสุดก็สแสดงว่ามันเป็นเรื่องของจิตนะโคตรแตรแกขึ้นมาก็หยุดมันดีกว่าหยุดด้วยพุธทธดีกว่า ถ้ามันเด็นแล้วมันสงบแล้วมันหยุดมันพอมันมันจะสงบมันก็เด่นแต่มันเด่นอยู่าเดียวปุ๊บเดียววาบเดียวแล้ก็มัสงบแต่ถ้วมันเด่นมาเรื่นี้ก็ต้องใช้กรรมใช้พุทโธพุทโธ่อาจารยนะค่ะครับโอเคอ่าก็อยากจะถามต่อเชินได้กล่าวธรรสกายครับอาจารย์คุณเจรเดนอยู่ที่ไหนอยู่ลุบลีครับอ่าเชิญเลย ก็ต่อจากนี้ครับคือผมก็เหมือนเหมือนตกจากที่สูงอะครับแล้วก็มันพอตกไว้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้มันก็พูดไม่ถูกแล้วครับทีเนี้ยก็ไม่นั่งพูดให้รูกเฉยๆมันใช่ครับแต่แต่มันมีความกลัวครับเลยเลยเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เลยดึงออกมาเลยแบบเออออกมาเองมันครั้งแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ มันเป็นเหมือนดูหนังมาดูหนังผีอย่าเงี้ยครับนะก็ให้ดูเฉยๆไปเด็กมันกำลังจะสงบมันมันจะแสดงอาการแปลกๆหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวเป็นเบอครับที่ครั้งครั้งนี้มันมันสะดุดนะสะดุดใจมากแบบไม่เคยไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างเงี้ยครับอ่าใ่เอาการของจิตเวลามันจะสงบมันมากจะมันจะแสดงอาการแปลกๆน่ากลัว แต่ตอนที่ที่เป็นนี่คือตอนตอนอ่าออกจากที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมานอนนะครับใช่พอนอนแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปแล้วทีนี้มันก็ลงไปเองนะครับลงครื่งหลับขึ้นตื่นใช่ครับก็เลยเชื่อปฏิไม่จะเป็นตอนนั้นครับปติไม่เชื่อใจมันก็เลยปล่อยให้จิตทาำอะไรของมันไปก็ไมนเป็นไรให้รู้ตัวไปบางคนเขาเรียกว่อัมบางคนเขาเรียกว่าผีอัมก็ไ คบางทีมันไม่มีผีหรอกมันเป็นตัวจิตมันแสดงอาการอย่างนี้เขาเรียกมันมันรวมหรืออย่างครับพรอาจารย์อย่างนะนี่มันเป็นเรื่องความเป็นเป็นก่อนจะรวมมันจะแสดงอาการอย่างนี้แล้วถ้าเราปล่อยให้มันแสดงไปแเราลุ้สติผู้นเฉยเฉยไปพอมันแสดงอาการเสร็จมันก็จะสงบมันก็จะนิ่งแต่เราก็ไม่ต้องไปไปอะไรกับมันใช่ไหมครับก็แค่รู้ให้รู้ทันว่ามันเป็นมันเป็นอารมณ์เป็นอย่าง อาการอย่างหนึ่งของจิตเลยก่อนที่มันจะเข้าสู่ความสงบมันต้องจะฟาดฟาดหางฟาดนาอะไรต่างๆแต่ไม่ต้องประหยัดให้มันสงบใช่ไหมครับพระอาจารย์อยปมะหยัดเราก็ไปปฏิไปปกติของเราให้มีสติให้อยู่คิดตอนนั้นเองอย่าไปคิดให้อยู่ในปัจจุบันจักแต่ว่ารู้ไปคือผมก็ใช้พุทโธครับ คือผมบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นนอนจนจนเกือบหลับไปเลยองเงี้ยครับได้ไปเรื่อยๆอย่เงี้ยครับถึงเวลามันจะรวมันก็จะรัวเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปค่าไม่ต้องไปคิดครับผมเหเคอะไรด้ไม่มีแล้วครับข้อเดียวกันนะหมดเยอะลวนี่ห้าสิบสองคนขอบคุณครับใครอยากจะถามตอบพูดได้เลยกาเปียนถามผ้าจา์ค่ะ คนอนทมาริวันค่ะสามคนมาริวันอยู่ที่<า>ไหนกรุงเทพค่ะาบางเฉียงค่ะคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราทําบุญใส่บาทเราจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับเลี้ยงที่เราเคยเคยเลี้ยงแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยเออเราอุทิศแล้วเขาจะได้ไหมคะถือว่ายังไงอ๋ออยู่ที่ว่าเขาเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี่เขาไม่ต้องมารอรับส่วน แล้วก็ปเป็นเพเท่านั้นก็ยังมารอรับส่วนเราก็้าไปรู้ว่าเข้าไปไหนแล้วอืมใครก็ไม่เป็นไรเราเร า, เราทําไปเพราะว่าบุญส่วนใหญ่เป็นของเราอบุญที่เร า, เราส่งไปนี่เป็นเพียงเป็นสนึ่งเ่งนั้นที่เราแบกให้เขาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างสูอะ พอดีพอดีเลี้ยงเลี้ยงแมวไว้แล้วเขาเขาป่วยตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ตายนะคะเป็นเป็นมะเร็งอะคะ่ะแล้วเราจะทําบุญอะไรหรือว่าจะแผ่เมตตาอะไรให้กับอะไรเขาได้บ้างไหมคะคื อ, อ, อคือจะเขายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอ่ากหมอหายาเลยทําให้มันดีที่สุดอะไรอยู่อะค่ะก็เหมือ น, น, น, น, น, นคนอนะถ้ายังไม่ตายแล้วก็ต้องคอยรักษาเขาช่วยเขาที่เรียกว่าเมตตา <ฆ> ก, กับกับเรียนถามพระอาจารย์อีกข้อนึงค่ะคืออย่างอย่างที่นั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยเอออย่างที่เมื่อกี้ที่คนอื่นถามเนี่ยเขาจะดิ่งๆง mm hmm. แต่ของของโยมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกัะลอยขึ้นนี่มันหลับหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นอาการของของอะไรคะออคือแบบเหมือนกระตัวมันลอยลอยขึ้นอะค่ะมัจินเวลาสงบมันก็มีหลายอาการจิตมันสงบมันก็เบาแรู้สึกลอยน่ะอืม มันร้อยแล้วมันแบบมันมันสว่างสว่างมันมันแบบนั่นแหะมันก็เป็นอาการหนึงแบบนั้นของแต่ละคนนอนอาจจะไม่เหมือนกันออก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นแห่เรารู้ว่าใจเราสงบหรือไม่สงบท่านนั่งคิดสักหน่อยค่ะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะท่านต่อไปเชิญกลับนมัสการค่ะท่านท่านอาจารย์คนดีมาจากที่ไหน หนูอยู่พัทยาค่ะได้มีโอกาสไปฟังทมกับพระอาจารย์ที่วัดยันมาสามสี่ครั้งแล้วค่ะ uh huh. ได้ไปได้ไปในตอนที่ว่าทุกสี่วันนะคะ uh huh. uh huh. ได้ติดตามพระอาจารย์จากทาง Facebook ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากอยากจะไปการาบนมันสการไปทั้งหลายครั้งแล้วค่ะแําไม่พบพระอาจารย์ mm hmm. <laughs> แต่ก็สุดท้ายก็ได้พบมานะคะ ค่ะการเรียนอย่างนี้ค่ะหนูมีคําถามพอดีว่าแม่นะคะเมื่อก่อนเคยเป็นชาวพุทธแต่คุณแม่เนี่ยแต่งงานใหม่ได้สามีเป็นชาวมุสลิมทีนี้บางครั้งเนี่ยโยมบางครั้งก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือสอ ไ, ไม่ได้ไม่ได้อย่าเรียกว่าสอนค่ะอธิบายธรรมะเหมือนบางทีคุณแม่มีปัญหาปัญหา ทั้งจากทางบ้านหรืออะไรเงี้ยที่แม่ไม่สบายใจเราก็อยากให้แม่สบายใจให้แม่ปล่อยวางเราก็เลยพูดเกี่ยวกับทางพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่เคยมีใครไม่รู้พูดให้ฟังบอกว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมแล้วเราเขามายุ่งกับพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาตายไปเขารู้จะตกนรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่มั่นใจว่าหนูสมควรจะต้องพูดกับแม่แบบไหนอะไรยังไงอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรพูดได้ทำบ้านนี่ไม่ได้ทำให้คนตกนรกอะ ธรรมะต่างๆที่ทํทำให้คนตกน้ำคุยได้สมัยนี้คนทีนับถืศาสนาอื่นมามาศึกษาธรรมะเยอะแยะไปหมดพุเลมก็มียินน่ดูก็มีคริสต์ก็มีมใช่<ด>ใช่ค่ะท้าไมา่เขายินดีฟังตรงให้แม่เขายินดีนจะอายาเยี่ยงให้เขงเขาค่ะแล้วอีกคำถามห น, นึ่งค่ะหนูมีมแฟนนะคะเป็นต่างชาติ ทีนี้เขาไม่ไม่สนใจาศาสนาต้องใช้คำนี้ค่ะเขาบอกเอเป็นพวกไม่มีาศาสนาหนูพยายามพูดเกี่ยวกับาศาสนาพูดอะไรเงี้ยอยากจะชวนเขาไปวดัดอยากให้เขาเข้าใจในาศาสนาแต่เขาเป็นคนที่แบบไม่เอาเลยแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าเอาแล้วแต่แตที่ทุกคนสบายใจเราก็ไปตามทางของเราอย่างนี้ถือว่าหนูตัดสินใจถูกไหมคะ เพราะว่าเราถือว่าเร า, เรามีความชอบไม่เหมือนกั น, นบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบกินข้าวผัดก็ปล่อยเขกินไปเขาชอบอะไรก็ปล่อยเขากินไปเขาไม่ชอบเราอยู่ระยะเยี่ยง่ายของเขาค่ะนั่นไม่เป็นไรไม่ ม, มีปัญหาเจะมีปัญหาถ้าเราไปปลอยัะยเยีเ่ยงแล้วเขาไม่ยินดีแล้วเดี๋ยวท่นก็จะทะเลาะกันมค่ะ ใช่ตอนนี้หนูก็เลยมองฟังที่พระอาจารย์อบรมสอนมาอะไรเงี้ยฟังในเฟซบุ๊กบ่อยๆประจําประจําอ่านทุกข้อความประจําประจําทําให้รู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองรู้จักวางอุเบกขามากขึ้นคือปล่อยวางมากขึ้นนะคะใครจะทําอะไรก็ให้เขาทําเล้ <laughs> มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเตามที่พระอาจารย์บอกเลยนั่นแหะค่ะ ทำในโลกนี้มีเป็นล้านคนคุณจะไปอยูบบ่กับเขาได้ไหมด้วยเปล่าใเหมือนวันนั้นหนูถามพระอาจารย์ตอนที่ไปนั่งฟังธรรมเลยอะค่ะที่บอกว่าญาติพี่น้องไม่สบายน้องสาวตอนเนี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะเป็นมะเร็งหนูก็ได้จะบอกเขาว่าคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดามันมันต้องมีมันมันต้องมีวันอย่างเงี้ย หนูก็บอกบอกให้เขาไปให้ไม่อยากให้เขาร้องไห้อ่ะค่ะ mm hmm. แต่เพียงเราก็อดสงสารไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะค่ะเขาร้องไห้ก็บอกว่าสวดมนต์ไปเสร็นะสวดมนต์ไปต้องพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราน้องผมน้องพายก็จะช่วยบรรเทาได้ใช่หนูบอกเขาไปอยู่หนูบอกให้หายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกชา้ชาๆ ก็คือการวุฒโภคคือเขาไม่ค่อยเข้าวาัดอย่างเงี้ยเหมือนไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สายเดียวแบบเราเหมือนพอไปพูดอะไรบางทีเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพูดเป็นแนววิทยาศาสตร์เพราะเคยฟังคุณหมอพูดอยู่การหายใจเข้าลึกๆช้าๆนับหนึ่งให้ถึงสี่<อ>การหายใจเข้านะคะแล้วหายใจ อ, ออกนับหนึ่งให้ถึงแป<อ>มันจะเป็ น, นาการเอาออกซิเจนออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงในในร่างกายเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดเป็นเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปเขาจะได้เชื่อเชื่อ ให้เ ข, เขาทำได้ก็ใจก็จะได้สบายใช่ค่ะอามารด้ก็ต้องปล่อยเขานะเราอย่าไปทุกข์กับเขาค่ะหนูก็ไม่ทุกข์ก็จะวางอุเบกขาตามที่พระอาจารย์สอนนะคะ ทุกอย่างต้องปล่อยวางมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วทุกวันนี้หนูก็พยายามพุโทโธถ้ามีสติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ถ้ามีสติหมายความว่าตลอดเวลาถ้าเรารู้ตัวรู้สติหนูก็พยายามพุโทโธตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าวันวันหนึน่งบางทีเราไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆแต่ก็จะอยู่กับพุโทโธตลอดค่ะจะพยายามทำพยายามทำไปค่ะ แล้วต่อไปพอเรามีเวลาบ้างเราจะได้นั่งสมาธิได้เลยนั่งค่ะนั่งแต่ว่าบางทีทําไมหนูนั่งหนูชอบปกติอะทำอะไรปกติเนี้ยเราไม่ตัวไม่ออกเหนื่อนะคะแต่พอนั่งสมาธิตัวจะต้องออกเหนื่อทุกครั้งเลยเป็นเพราะอะไรอะคะเพราะเป็นธรรมดาเวลานั่งรู้ร่างกายมันจะร้อนเกิดตายกันทุกคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่ร้อนนะคะก็พอเรามัน เไม่ได้สังเกตเราอาจจะทําในเพลนหรืไม่ร้อนแต่เรานั่งเฉยๆเรามันก็เห็นสังเกตมันกแต่ไม่เป็นได้หละมันจะร้อนก็ไม่ร้อนก็ไม่เป็นประเด็นก็เราก็ให้ก็เห็นมันไปว่ามันร้อนอย่างนั้น<อ>ก็เราก็นั่งพุโทโธของเราต่อไปอย่างงั้นแล้วกันใช่ไหมคะก็รู้ทางความจริงว่ามันร้อนก็ร้อนไปค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้น วันนี้หนูไม่รบ ก, กวนพระอาจารย์แะค่ะเดี๋ยวหนูตั้งใจเดี๋ยวจะไปวันเสาร์อาทิตย์ถ้าอยากจะมาฟังธรรก็มาเสาร์อาทิตย์กับวันพระวันหยุดราชการค่ะค่ะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้รับปฏิทินตารางเวลามาใหม่แล้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอยังไงถ้าจะพยายามจะพยายามไปประดิทหนูไม่ไม่มีรถเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะอันตรายถ้าวันไหนฝนตกมันอันตรายนิดหนึ่งก็เลยไม่ค่อยกล้าไปก็ต้องระมัดระวะังถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านดูทําบ้านได้ ค่ะเมื่อเมื่อวานก็ฟังไลฟ์สดเนี่ยแหะคะ่ะผมกไม่สะ ด, ดวกไปค่ะ <Okay. S 1> งั้น <Okay. S 1> หนุมไม่ลบกลัวแล้วค่ะกราบนมัรมสการพระอาจารย์นะคะจ้าเจ้าอ่าใครต่อเลยได้เลยใครอยากจะพูดเชิญพูดได้เลยเปิดไมค์แล้วก็พูดเลยนมัสการเจ้าค่ะอคุณนกแอ่นน้อยอยู่ที่ไหนอยู่อุดรจ้าค่ะอ อาจจะมีอะไรอยากจะพูดเชิญพูดได้เลยก็ช่วงเข้าพรรษามีโอกาสไปปฏิบัติที่วัดเนี่ะ น, น ะ, ะคะเมื่อกี้เจอสภาวะที่มีคนวูตบตกหรือก็มีคนลอยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ของโยมโยมไม่แน่ใจเจ้าค่ะของโยมแบบอยู่ที่ก็หายดับปุ๊บเลยทั้งๆที่เราไม่ได้ง่วงวก็กําหนดสองสามครั้งก็หายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ง่วงแล้วก็ตั้งใจันก็หายแ ล, แล้วตัวสติหายหรือเปล่าหายใช่ไหม ห, หายเหมือนเหมือนเหมือนเราหลับเหมือนเราหลับแต่ว่าเหมือนะงกแล้วก็ตื่นมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ง่วงก็ตั้งใจจ้องมันใหม่มันกออ็ไม่ง่วงหรอกแต่เวลาบอกมันนั่งพอมันสบายมันสติเพิ่มันก็หลับภายในหนึ่งสองสามพยายามจับจับดูเจ้าค่ะบางทีก็ไม่ถึงสี่มันก็หายอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราก็ไม่ได้ง่วงแต่ว่ามันใช่มันหลับใช่ไหมจ๊ะพะใช่มันหลับถ้าไมู่ึงสีตัวเลยไม่ง่วงอะไรเลยก็แสดงว่ามันหลับ ก็ลุกไปมาเดินพุตทตธพุทโธหรือนังน่งพุทโธพุทโธนัง<ต>น่งเฉยเฉยนั่งพุทโธแล้วก็หลับ แ, แต่ตอนเดินจงกรมนี่มั น, ม, นมันมีสติดีมากนะเจ้าค่ะ อ, อแต่พอไปนั่งลุกขึ้นมาเดินก่อนอย่าเพิ่งนั่งถ้านั่งแล้วหลับก็เราเปลนลุกขึนกก้นมาเดิเจ้าค่ะไม่เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรพยายามสู้สู้สหลายๆรอบที่ที่ที่ปฏิบัติก็ พยายามสังเกตอยู่เวลาเรานิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วมันมันหายแบบปุ๊บเหมือนเราหลับแต่ก็หลับเช่นกไม่เป็นไรก็ถ้ามันหายก็พอรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเจ้าค่ะเนาะนะคะทําไปเรื่อยๆจะสติมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปมันนั่งแล้วมันจะไม่หายเจค่ะแต่มันก็โยมลองถอยออกมาไม่ไม่ไม่ลึกเข้ามากถ้าถอยออกมามันก็มันก็ไม่มันก็ไม่หายไม่หลับ ยังรู้สึกตัวดีโยมก็เลยเจ้าค่ะถอยๆอยอกมากหน่อยๆก็ก็ได้ก็อีกระดับหนึ่งเดี๋ยวถ้าแบบลึกมากๆนี่มันมันอะมันชอบหายอ่าขอมีสติก็แล้วกันพยายามนั่งแบบมีพุทโธเพื่อมีการดูลมหายใจเจ้าค่ะอ่าก็พยายามดูบางทีบางทีเห็นความคิดเจ้าค่ะมันชอบคิดพยายามเขียนจดความคิดพยายามเห็นมันก็ยายาเห็นคิดเห็นปรงเรื่อยๆเจ้าค่ะ ช่วงที่มันไม่มีสภาวะแบบดับไปอะนะจ๊ะค่ะถามบางคนเขาบอกว่าจิตดับยมก็เลยไม่เข้าใจมันคืออะไรจิตดับไม่หรอกสติหายมากกว่าสติหายนะคะไม่เป็นไรก็ทําต่อไปนะะนั่งไม่ได้ผลดีก็เดินไปเถอะเดินให้มากๆให้มีสติมากๆเจ้าค่ะแต่เดินเดินค่อนข้างได้อยู่เจ้าค่ะเดินดชอบเดินมากกว่าเจ้าค่ะใช่ เจ่ะเพราะว่านนั่งรู้สึกว่าแบบมันมันมันรุมเราหลายอย่างทั้งฟุ้งทั้งอะไรหลายๆอย่างเจ้าค่ะแต่ก็ตามตามดูตามก็บเจ้าค่ะโเคขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจ้าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อธิวใครท่านต่อไปใครอยากจะพูดเชิญพูดได้เลยกรับจับ พระอาจารย์อีกรอบนึงนะคะคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างเรียนมาริวันนะคะอย่างคนที่อย่างคนที่เขาบอกว่าแบบเคยได้ยินคนเขาพูดว่าเอ๊ะคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วแบบวางอุเบกขาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ย <c oughs> คือคืออย่างสมมติว่าเราเราเห็นอญาติพี่น้องเราเจ็บป่วยเงี้ย <c oughs> เราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนี่ยเขาแต่เราก็ช่วยพาเข้าไปรักษา <c oughs> คือคือแม่นะคะพาแม่ไปรักษาแต่ว่าเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเงี้ยเราเราเห็นแก่ตัวไหมคะหรือว่าเรา เราแบบเป็นคนใจใจแบบว่าเดีนชาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่แล้เราก็เป็นคนมองโลกในตามความเป็นจริงไปล้างหมล้างตาไปรายงานการก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะคือคือมันทําอะไรก็ไม่มีอยู่อย่างพี่ชายเขาจะบอกว่าอุ๊ยเป็นห่วงยังเลยนู้นนี่นี่นั่นเราก็บอกว่าคือเราก็รักษาเต็มที่มีอะไรเราก็ไปไปโรงพยาบาลอะไรรักษาเต็มที่แต่ว่าเราไม่ได้ว่า แสดงกังวลว่าอุ้ยอะไรเศร้าโศกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนจะมองว่าเรานี่แบบเป็นคนแบบแบบเหมือนกับจิตใจแบบแบบว่ายาบแล้วคนใจแข็งคนใจแข็งไปแข็งเฉเฉยไม่ไม่หวั่นไหวกับอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุการท่าพอดีมีมีคนที่พยายามที่ถามหรืออุปขารายยมนึกขึ้นได้ค่ะกากาศสาทุกท่า์ค่ะครัท่านต่อไป ใครอายากจะพูดชร์พูดได้เลยน้อมสักการ์ค่ะพระอาจารย์อคุณม า, า, าที่มาคที่ไหนหนูอยู่กรุงเทพค่ะค่ะอาจารย์เจอในเวลาอยากจะพูดหนูไม่มีคําถามค่ะแค่อยากเปิดไมค์มาน้อมสักการพระอาจารย์เฉยๆค่ะเคยมาวัดหรือเ่าหนูเคยไปน่าจะประมาณครั้งสองครั้งค่ะพระอาจารย์ออ ติดตามเพจอยู่เรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะพยายามติดตามเพจเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ถ้าปฏิบัติบ้างไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์หนูค่อนข้างมีความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ค่ะพระอาจารย์แต่อย่างน้อยก็ค่อยศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยใช่ไหมก็พยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อ่าแต่ศึกษาแล้วก็ถามเวลาปฏิบัติบ้างค่ะอย่างน้อยก็หัดพูดนชิ ดูลมหายใจมีฝลังเขาเขียนไว่เขียนป้ายบอกว่าถ้าคุณมีเวลาหายใจคุณมีเวลาภาวนาค่ะพอาจารย์อนการภานาก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเลยค่ะพรอาจารย์บางนบอกไม่มีเวลาภาวนาไม่จริงหรอกถ้าคุณหายใจคุณมีเวลาหายใจคุณมีเวลาภาวนาดูลมหายใจเลยคือถ้าคุณมีเวลาเขียนคุณก็พูดโทรได้ พุทโธก็เป็นความคิดหนึ่งค่ะค่ะค่ะอาจารย์การัดถัดกินพุทโธพุทโธบ้างดีกว่ามีประโยชน์มากกบ่าคิดเรื่องราวแต่ทาให้เราคุ้มซ่าทําให้เราเพรียดทำให้เราวิตกกังวลเรามาสลับใช้พุทโธแทนเรื่องว่าการปฏิบัตินะจําเป็นจะต้องนั่งหลับตาที่นี้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเบื้องต้นในสตินะพุทโธไปดูเราไปดูร่างกายไปก็ได้ ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ข้ากําลังเดินทางนั่งก็เข้าดูกันไปค่ะะอาขอจารย์เก okay, นะสิทงี่ที่ได้ได้รู้จักกันค่ะพอาจารย์ทัตนต่อไปใครอยากจะถามอยากจะพูดกันพูดได้อันนี้ก็ผ่านไปประมาณช่วงกับยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาที ว่าพอชั่วโมงเครื่กันจะคิดว่าจะขอขอหยุดแล้วนะว่าปากก็แห้งท้องก็เติมเ๋ยวต้องไปถ่ายต้องไปส บ, บายตอนนี้ก็เอาต่อประมาณสักสิบนาทีก็ได้ละสิบนาทีถ้าการมีอย่างจะพูดอะไรก็การพูดต่อไนดะ้ถ้ายังไม่มีใครถามขออนุ ญ, ญาตถามนะคะอาจารย์คุณสุภาตนาค่ะพอาจารย์คะ่ะ พอดีว่ามีมีหลายๆท่านถามเรื่องเอที่ว่าตกจากที่สูงแล้วก็ใน เ, เวลานั่งแต่ละท่านนนะคะแต่ของโยมก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเอาตอนแรกเลยก็คือนั่งนั่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นน้ำบนนะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับเกลียวเกลียวน้ําเนี่ยมันมันดิ่งลงไปอคะ่ะแล้วเราเราก็นั่งมองมานะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าก็ก็คือปล่อย คือเราเห็นแต่เราไม่ไปตามดูว่ามันมันมันคืออะไรแต่เห็นเหมือน ม, มันเปนเรียวเปรียวลงไปอย่างเงี้ยค่ะพยายามกลับมาดูดูลมและพุทโธที่เราใช้อยู่ต่อค่ะค่ะแต่เราไม่ได้สนใจอันนั้นอันนั้นก็คือเป็นเหมือนกับมันมันผ่านมาเฉยเฉยใช่ไหมคะใช่อาการของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะดงนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่เป็นค่นะก็คือนี้แต่ละคนนี่ได้ไปตามดูมันค่ะ แม้แต่ในคนคนเดียวกันเวลาสงบแต่ละครั้งบางทีก็ไม่เหมือนกัน<ะ>อย่าไปคิดว่าสงบครั้งนี้แล้วครั้งหน้าจะสงบแบบนี้บางทีมันตกจากที่สูงลงมาบางทีมันไม่ได้ตกจากที่สูง ม, มันเหมือนกับรถเปลี่ยนเกียร์<ะ>มันค่อยๆเป็นขั้นๆบันไดก็น<ะ>ีอย่าไปกังวลให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจและอยู่กับพูดโธรไปแล้อยากไปสนใจกับอาการต่างๆค่ะ ขอบพระคุณก็ค่ะยังท่านต่อไปคุณชลิพันกลาวนมาสการพระอาจารย์ค่ะขออนุ ญ, ญาตนิดอ่ายุ้ยค่ ะ, คะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ที่นี้เสาร์ที่นี้มีโอกาสที่เดี๋ยวจะไปชลบุรีก็เลยขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์สามารถเข้าไปฟังทำที่น่ากุฏิพระอาจารย์ได้ไหมคะได้เดี๋ยนี้สแสดงธรรมวันเสาร์อาทิตย์วันพระและวันหยุดราชการหนึ่งสองโต้องเอาเอาที่นั่งมาเนะคร มีแต่สนามได้ามีทางผิวถนนนั่งกันภาษาต้นไม้ของต้นไม้แล้วก็เอาล่มไปเผลอไว้ถ้าเกิดฝนมันตกมันด้ันได้มัได้มีอะไรก็ได้ค่ะเพราะเราไม่มีการเล้มีแค่รับรองท่านอยู่เอามากันเองได้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไป พระอาจารย์เจ้าค่ะคุณต้องคุณละชลาคุณใกลๆ<ม>้ๆนะโยมโยมขอกราบเรียนถามอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์บอกว่าพอกลับมาบ้านมานั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติต่อตอนนั้นโยมก็จะบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแต่โยมก็ไม่ได้เห็นกระดูกอะเจ้าค่ะกระดูกมันจะออกมาเองเวลาที่มันจะเกิดมันก็จะเกิดมาเองอะเจ้าค่ะไม่เป็นไรไ ม, ไ, มไม่ไม่เราไม่ได้นั่งดูเพื่อให้เห็นกระดูก นั่งสมาธินี่เราต้องการให้ใจนิ่งสงมบมไม่ต้องกังวลเรื่องการเห็นก็ไม่เห็นเลาฝึกสมาธินี่ต้องการให้ใจว่างใจสงบเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นก็พอแต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการนั่งการนั่งนี่ต้องการให้ใจนิ่งสมมมงบใีความสุดนะส่วนถ้าอยากจะเห็นนี่ต้องรองอกจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิแล้วมานันต่งคิดนึกคิด ถึงกระดูกคิดถึงองกระดูกตั้งแต่สีสันลงไปถึงเท้าเลยโลกสีสันแขนขาเสีงครองในทิศนองนี้เลึกกภาพมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอต่อไปมันจะฝังอยู่ในใจเราพอเราคิดถึงมันปั๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราคนละ้นกันเป็นขั้นปัญญาเนะ กันที่เราทําสมาธิเราไม่ต้องการเห็นเลยถ้าถ้ามันจะให้เราเห็นก็ไม่ต้องไปกําหนดให้รู้เฉยๆกอกลับมาพูดถกเราตอบให้ใจเราเย็นให้เราสบายในความสุขนะแล้วถ้าเราจะอยากจะนั่งคือทุกครั้งหนึ่งชั่วโมงเขาจะถอนออกมาเองถ้าเราต้องการเพิ่มอีกเราก็คือตั้งใหม่ใช่ไหมไ<ด>คะใช่ก็พูดถกต่อไปเร่องรอบสองต่อไป ถ้าเรายัางไม่อยากจะลุกลรวก็พูดโทรพูดชมนะใช่ค่ะแล้มตาตรารเจ้ยค่ะอ่าใช่อาดูมีใครจะอยากจะพูดอีไหมกราบพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคะ่ะคุณคุณยูนนะยุนค่ะยุนชายเอ่อยู่กรุงเทพค่ะเชยังไงยังไง เออเมื่อกี้พูดถึงกระดูกนะคะมีวันหนึ่งหนูก่อนที่นั่งสมาเออนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะแล้วหนูก็เราลึกถึงกระดูกโครงกระดูกของตัวเองตั้งแต่หัวจนเท้าเออพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็นอนนะคะนอนเสร็จแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกตัวเออตอนที่รู้สึกตัวแล้วยังไม่ลืมตายังอยู่รู้สึกว่าเพียงแต่รู้สึกว่าเราอะนอนนอนหลับอยู่แล้วก็ เออมันละมันมันมีภาพของกระดูกโครงกระดูกตั้งแต่หัวถึงเอวอะค่ะได้คือใช้ได้แสดงว่ามันถังอยู่ในใจเนอะอืมคื อ, อเราม่ยังไม่ลืมตายังไม่คือรู้เลยเลยว่าเหมือนกับว่าจิตเนี้ยมันมามามาอยู่ที่ล่างและทําให้เรารู้สึกตัวและแล้วเราก็เห็นภาพนั้นนะคะได้ได้ก็ให้ให้เห็นไปได้ไม่เสียหายอะไร อ จ, จะให้เห็นให้ให้เห็นต่อไปเวลาลืมตาก็ได้พยายามนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายเราเวลาเห็นมองเห็นร่างกายคนอื่นก็บอกทะลุเข้าไปให้คลองกระดูกเขาเลยอ๋อค่ะค่ะแต่ก่อนนี้หนูเคยเคยพยายามมองคนอื่นเหมือนกับว่าเออจิตกับร่างเขาคนละส่วนกันนะคะใช่จิตเปน็นรกายกายเป็นบาต ให้มีรูปร่างจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดพยายามแยกจิตแยกกายออกจากกันเวล า, ลาจิตของเราแต่กายของเราก็เหมือนกันเวลาร่างกายคนอื่นตายก็ตายแต่จะกอดร่างกายพวกเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาพมมไ่อต้องหมัน่นระลึกเสมอใช่ไหมคะต้องเพราะตอนนี้เราชอบดูมันอยังชอบกลับไปคิดตามตัวความคิดว่า เป็นตัวเป็นตอนที่ว่าร่างกายเป็นตัวพ่อเแม่เป็นพี่เป็นน้องเราใช้ปัญญาแยกว่ามันเป็นคนสู่ร่างกายเป็นทินท่าลงไฟพ่อแม่เป็นจิตเป็นจิตใจไม่ตายนะครับทินท่าลมตายค่ะแล้วเราจะได้ไม่เศร้าสูญเสียใจเวลาเขาตายไปค่ะหนูเคยเคยเคยเรียนฐานพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ศาลาค่ะ เอ่อที่ว่าหนูเคยยังทีทํางานอย่างถูบ้านซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันจิตมันชอบนิ่งแล้วมันอาการร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดปิติเหมือนนั่งสมาธิตัวซาบซ่าในอย่างเงี้ยค่ะใช่<ๆ>มันเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องย่าถ้ามีสติาาอาจใจหยุดคิดว่าอะไรมันก็จะเกิดความสุบเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาได้ไมใช่ที่เราเรียก <ผม S 2> ว่าเปรใช่ไหมคะ เ, เป็นสมาธิแบบว่บา แล้วแล้วช่วงที่เกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหนูควรทำอะไรนะตอนนั้นไหมคะก็ทำงานต่อไปก็ได้หนระือถ้าอยากจะนั่งเฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็ให้มันคอยกำลหนดูอาการให้มันอยู่นานๆทำอะไรไปก่อนก็ได้อ๋อค่ะโดยจะทางานต่อไปได้แนละ้วแต่เราเ้าบอกว่ามันสงบดีสบายดีเราได้หยุดทำงานก่อนดีกว่าเออเอาจิตมาเอาเอาสติมาคอยดู ทำสงบที่แล้วพยายามใหมันสงบก็ดได้เพราะการสุดขัดของเราเนี่ยมันบางทีมันเวลามันจะเกิดเพดมันไม่ได้ต้องจำเป็นจะต้องอยู่ในท่าหน้าอย่างเดียวท่าไหนก็เกิดได้ถ้ามีเหตุที่สษษมบร์พร้อมเม่อไหร่มันก็จะเกิดค่ะถามไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณใช่แล้ว ต่อไปก็ฝึสติฝึกปัญญาเวลาไม่ได้ฝึกสมาธิสติก็ฝึกปัญญาคือถึงครามกระโดดอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วเอ่อบางทีหนูก็พิจารณาอะอันนี้จังทุกขังอนันตาคือเมื่อล่าสุดเนี้ยเอ่อหนูไปทําบุญแล้วมีเด็กนั่งอยู่ข้างๆเด็กเนี้ยจะทําความําคานให้ให้ให้กับหนูอ่ะแล้หนูก็จะแรกหนูก็งุดหงิด แต่หนูก็ระลึกถึงว่าเออพระเจย์บอกให้ให้นึกถึงอ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตตาหนูก็เออเด็กคนเนี้ยมันคือเขาอนัตตานะเป็นอนัตตานะูนออคือแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ไปแล้วเออมันหลุดเลยอะ่ะมันหายเลยเออไม่ลาคาญก็จะทําอะไรก็เราก็ไม่รู้สึกลาคาญแล้วเพราะเราอยากตอนที่เรอยากจะให้เขาเฉยเใช่ค่ะเออหนูก็นะเออนันพิจารณาหนูก็เอ อ, เ อ, อมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะอยากให้เขาอยู่เฉยเฉยไม่ให้ทําให้เราลาคาญอะไรอย่างนี้ด้วย ต้องใช้ใจนั่งหยุความอยากเนี่ยเพราะงั้นเาก็ <c oughs> เป็นอาณาตายเราก็เป็นอนิจจังเราก็เลยหยุดความอยากค่ะ <c oughs> ามา้วเนค่ยใน <c oughs> เวลา <c oughs> ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาค่ะ <c oughs> ถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปจะทำให้เราหลงคันเราก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธไปเนี่ยวเราก็สงบมันก็จะไม่หลงคันเหมือนกันค่ะ ดีแล้วแหละ่ะจุดตั้งพยายามปฏิบัติไปนสัสติกับปัญญาสองตัวนี้สำคัญที่สุดนะค่ะค่ะขอบคุณค่อะอาจารย์ท่านต่อไ ป, นนไปเชิญนะไม่ได้ใครอยากจะพูดก็เปิดไมค์แล้วพูดได้เลยพี่ดีเหรอคุณพีด่ดีสวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอ่ามาเลเซียครับมาเลเซียครับอ่า อยากจะถามพระอาจารย์นะครับว่าตอนนี้ผมปฏิบัติเองอนะครับแบบไม่มีไม่มีครูบาอาจารย์นะก็เรียนจาก y o u ูทูบบ้างอหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่ทํ<ท>า <ำ S 2> <ก>อยู่ก็แบบนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ครับไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นคนมาสอนเราหรอกครับ เป็นธรรมะธรสอนของพระพุทธเจ้าใครพูดกันได้ยุบพดอยู่แในสื่อไหนก็ได้ก็เป็นอาจารย์ครับอ่าครับเพราะตอนนี้ที่ทําอยู่ก็ทําแบบอกําหนดลมหายใจอแบบอนาปนารรสติกรรมอาจารย์บางทีก็ส ง, งบบางทีก็ไม่ส ง, งบางอาจารย์ก็พยายามทำไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ร่มรบก่วนมากขึ้นมากขึ้นข้อสำคัญพยายามฝึกสติให้มาก อ่าบางสุดเฉพาะเวลาที่เรามานั่งอยู่เดียวครับฝึกสติบ่อยๆทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติต่ใช้คําบริกครพูดทองพูดทอไปก็เรียกเป็นการฝึกสติครับมีสติมากขึ้นเท่าไรเดี๋ยวการปฏิบัติผลนี้ก็จะมีมากขึ้นไปตามครับแต่อย่าไปอยากความอยากมันไม่ทําให้เกิด ต้องการเจริญสติเป็นตัวที่จะทําให้เกิดต้องบอกต้องคอยเตือนแล้วว่าสติเรายังน้อยมันเองได้ผลแค่นี้ถ้าเราอยากจะได้ผลมากกว่านี้เราต้องฝึกสติให้มันมากกว่านี้ให้มันต่อเรื่องมากกว่านี้ครับมีอะไรไหมเออแค่แค่นี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวค่อยๆขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์ดู ใครอยากจะถามอะไรเชิญพูดได้เลยแนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้เลยจะให้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะเพราะว่า น, นี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแนละ้วก็อบชั่วโมงสีสบเนาทีไม่มีาการสจะถามอะไรครับคุณแฟมเชิญคุณครับาอบาจารย์ ใกล้ๆหน่อยได้ไเสียมันไม่ดังสวัสดีครับได้ยินไหยครับ อ, อได้ยินนะได้ยินนะ ว, วิตกหายวิจารณหายปิติหายตอนแรกติดสุขตอนนี้ไม่ติดสุขแล้วก็เจอเอกคัขตากับอุเบกข า, าแล้วผมก็ไม่รู้ไปต่ อ, อยังไงครับมันสุดทางแล้วก็ให้มันอุเบกขาไปนัานๆถ้าอุเบกขาจมันก็มีความสุขมาีความสุขด้วยแบบ มีความรู้สึกมีความสุขรู้แต่ว่ากองไว้ตรงนั้นเพราะว่าสุขมันเป็นเวทนายอย่างหนึ่งไม่ใช่มันสุขอีกแบบสุขแบบสุขแบบจิตสงบมันไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขแต่มั น, น, นมีความรู้สึกเมาใจครับก็ถ้าถึงจุด น, นั้นก็พยายามใช้สติประครับประคองให้มันอยู่ในจุดนั้นเป็นเวล า, นานถ้าเวาออกจากสมาธิก็ให้มันเป็ น, ปนอุเบกขาต่อครับ ก็ที่เวลาที่เราไปสัมผัสกับอะไรเราจะได้ไม่ตอบโต้ใครจะชมเราก็เฉยใครจะด่าเราก็เฉยครับนั่นคือเป้าหมายขอ ง, ขางาทานทาสมาธิได้ใจเรามีอยเบรกขาพอมามอยู่เบรกขาแล้วใครจะด่าเราเราก็เฉยได้จะทํทำอะไรที่เราไม่เราเคยไม่ไม่ได้ชอบใจมาก่อนเราก็จะเฉยครับ น้ำมันกี้นี่อเองท่านจะพูดพร้อมๆกันอันนี้อาตุลชื่ออะไ ร, อ, อ, ะระอยู่ที่ไหนน้ำมันสกันกับฟ้าจันอยู่ที่ชื่อวรนพาค่ะอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะ อ, อค่ะก็คแค่จะไม่มีคําถามอะไรมากค่ะแค่จะอ่อนนะ้นมัสกัรฟ้าจันนะคะเพราะว่าติดตามคจากมาทักค่ะให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ อ๋อไม่ค่ะคือได้ฟังธรรมะจากติดตามพระอาจารย์มาสามปีอะค่ะแล้วก็ได้ใช้ธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยอ่าช่วยให้ตัวเองปลดทุกข์เนื่องจากเอแฟนเสียนะคะแล้วก็ปีที่แล้วได้ได้ไปที่วัดยามนะคะแต่ว่าไม่พบพระอาจารย์ก็เลยทักทายอะค่ะถ้าเดียวค่ะปูหน้าก็เดี๋ยวจะได้ไปอะค่ะได้ทำมาแล้วแวมาเยี่ยมเยียนใหม่นะค่ะ คำถามสุดท้ายเนี่ยนะท่านี้ข้าใหญ่จะถามให้คุณลีโอมัสการต้องตาครัเชิญพูดได้เลยมาจากสเปนนะครับมาจากสเปนกับมัสการ์งพ่อเจ้าค่ะสบายดีไหมสบายดีเจ้าค่ะผมยากมาใานไทยงานเนี เจ้าค่ะน่าจะเป็นปีหน้าหรือปลายปียังไม่ทราบเจ้าค่ะโยมที่ก็ทำกับข้ามาถวายก็บอกเข า, เขาแจ้งให้เราทราบว่านว่าโยมเป็นคนผ่ อ, อนช่วยพูดอไร้าง่อนโยมมีอยากจะถามอะไรกร็ตามเข้ามาเขาฟังหลวงพ่อตลอดค่ะเข้ า, ขามาพมาเยี่ยมเจ้าค่ะ คิดถึงเจ้าค่ะเข้ามาเก่าเข้ามาเก่ามาสุขการเจ้าค่ะปฏิบัติตลอดแล้วก็ฟังธรรมะหลวงพ่อตลอดเจ้าค่ะสาธุสาธุให้ใจมีความสุขมีควเย็นนะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะประมาณเกือบ2ชั่วโมง ช่วมงสีสิบ้านาทีโดยประมาณก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะขอให้ท่านทั้งหลายอนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพราะความสรัความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเออาธุแล้วโอกาสหน้าคิดว่าประมาณนาทีละหนึ่งครั้งจะมาสดแบบนี้ับช่วงวันที่ตา วันในใ น, นี้ยอังคารพูดมเมื่อไหร่ทำนองนี้วันไหนสะดวกก็จะมาทําอย่างนี้ว่าที่ตำแหน่งครั้งจะทําได้นะแล้นะโอเคว่าท่านี้ก่อนขอาลาก่อนนะนะคุณวายมีอะไรไหมไม่มีครับโอเคเดี๋ยวร้อยอนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ